การปฏิบัติสโสติอารมณ์ที่เคารพอย่างสูงวันตรงกับบันพระรหัสบดีที่16กุมภาพัน์พุทธศักราช2555แบบเ ต, ตาห้งางเดือน3ปีมาลงเป็นวันที่3ของการปฏิบัติธรรมการประรัตนาท่าทารตาเปลือกตาไข่ปัญหาธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อกลแก่โยคชีผู้ปฏิบัติธรรมในการนําไป ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาต่อไปขอาการาละรัตนาขอาารัอบาารตามสบายกันกัน สั้นๆ น, นิดหนึ่งของน้งน้อวุ้นะะก็ทีมเด็กๆที่เข้ามาประจายพุทธวจนะในช่วงข้ามันเสาร์ที่เราถ่ายทอดไปทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตนะก็เราจะเห็นว่ า, าเด็กๆ ก, ก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สรงจำคำพระสัสดาได้ แล้วก็ <c oughs> จะขยายไปสู่หมู่เพื่อนของเขา <c oughs> ให้ได้ส่งจำคำรัถตากฎเดี๋ยวลองดูน้ำลั้นเหรอมีกระสูนไหมน้ำลืน้นแนาเลย แยกจากอตุศร้ายทำปัญญ่าที่เกิดขึ้นแล้วแล้วจบขึ้แล้วให้อาจารย์หาไปโดยขุนแก่ฐานะได้ขาดนะ ส, สัมมาอัตถิพินทัเตเ<อ>มื่อเห็นดูโดยถูกต้องย่ำเบือนนายนันทิขยาลาคัคคโยเพราะความซึ่งไปแห่ง น, นันทิจึงมีความซึ่งไปแห่งลาคะราคัคยานันทิคโยเพราะความซึ่งไปแห่งละคะ จึมีความขึ้นไปแห่งนันทินันทีราคคยาจิตฟังสมมุตตานติมุจฉิดเพราความขึ้นปแ่งนันทิและาคกล่าวได้ว่าจิตฝุกค้นแล้วด้วยยีดังนี้จีตในฐานการงานว่าเปแลอาบนฐานะที่สร้างแห่งอนุสติมีเท่าไหร่มีห้าอย่างพระเจ้าค้าดีหละดีลอานถ้าอย่างนั้น เธอจงทรงจำฐานาที่ตั้งแห่งอนุสติที่หกนี่ไว้คือปิสุในกรณีนี้นักตยานาักยาอาัสติอาคติปตินักโหติเมื่อเมื่อฝามนับไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติสติยาอาคติตูตูตป ป, ปาโตนัโหติ เมื่อการมาและการไปไม่มีการเพื่อและการเปิดขึ้นย่อมไม่มีเพ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความกลับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงกลับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอาชาเปน็น ใจจมีสังขางรทั้งหลายเขามีสังขารเป็นปัจเจกจิจจจ mm. มีวิญญาณเขามีวิญญาณเป็นปัจเจกจิตมีนามรูเขามีนามรเป็นปัจเจกจิตมีสัาญต่อมาจากพิพากษ์อวิ i o n นิชย์ with i g n o r i as condition volitional formation with volitional formation as o n d i t i o c o n c i s n e s s With คุณสุดท้ายนี้น้องเจดเด้นเป็นชาวคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันนะก็เลยสวดปฏิจจสุบาทเป็นภาษาอังกฤษครอบครันะวนี้ทั้งครอบครัวเลยนะมาศึกษาพุทธวิชชะหมดแล้วก็เลยถ่ายทอดคำพระสัสาจะให้กับลูกหลานแล้วก็พอเพื่อนน้องน้งนำบุญมาเล่นที่บ้านก็น้ำบุญก็จะชวนมาท่องปฏิจจ มาสาธยายทำมานั่งสมาธินะตอนนี้เราได้ทีมเด็กน่าจะรุ่งสามสิบคนละเยอะ yeah. แล้วก็จะมาสาธยายในวันนักขนะิตฤกที่วัดนะออยู่คู่หนึ่งเนี่ยสาธยายในสิ่งพสูตรเนี่ยคล่องมากนะเขาเป็นฝาแฝดเลยไงผู้หญิงสองคนแล้วก็สลับกันคนละพะสูตรพระสูต ร, ร, ส, ตรนะสลับ ไปมาจนครบสิบพระสูตรนะก็เก่งใช้ได้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะการทรงจำคำของ ท, งำำอง ท, าทถาคตมนะันไม่เหมือนกับการทรงจำคำของบุคคลที่ต่ำกว่าตถาคตนะเพราะคำที่เรียกว่าเป็นนันสาสนีปฏิหารนั้นที่พระองค์ตรัสไว้กับพรานลนถึงแม้เราจะแค่จำได้อย่างเดียว นะแต่ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยก็ยังได้อั น, นิสงส์คือจะไปบรรลุธรรมในภพของเทวดานะซึ่งเรามักจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่ารู้จาไม่รู้จริงนะคำนี้กลายเป็น เ, เกิดความเสียหายทำใหเ้เหมือนกับว่าการทรงจานี้ไม่ดีจริ ง, รงๆการทรงจำเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอน นะแต่เป็นเพราะสาวกไม่ล่รู้คำพระศาสดาพอเราไปดูในพระสูตรที่พระองค์ตรัสว่า <c oughs> แค่รู้จำอย่างเดียวในคำพระธ ถ, ถาคตแต่ให้ทรงจำได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นด้วยสีอาการนี้เขาจะไปบรรลุธรรมในภพของเทวดาบรรลุธรรมในสีลักษณะคือหนึ่งตัวเขาเนี่ยจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เอง สติเกิดขึ้นช้าเขาจริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วกลันพระองค์บอกอย่างที่สองเนี่ยเขาจะไปได้ยินพวกพิสูปผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่สามเขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทนะแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาจะบรรลุธรรม อย่างที่สี่พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทศบริษัทผู้เกิดหลังแล้วก็จะบรรลุธรรมนะอันนี้แค่การทรงจําอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรูปใหม่ละว่าแค่การจําคําพระสัจธรรมได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นนั้นได้ในส่งมาสิบสองขั้นะตอนในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมก็จะมีการทรงจําด้วย มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี้ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้พิจรารณาให้ควรเนื้อความที่ตนทรงจําไว้ทำทั้งหลายนีย้ทมต่อการเพิ้งพิสูจน์ฉันทาย่อมเกิดขึน้นผู้มีฉันทาย่อมมีสาหะผู้มีสาหะย่อมพิณาหาความสมดุนแหน่งธรรมและตั้งตนวในิจฉัขาดการทรงจําไม่ได้อย่างน้อยที่สุดขอพิมพ์หนึบท ถ้ายองจำไม่ได้แม้เพียงหนึ่งบทบรรลุธรรมไม่ได้พระศาสดาสอนได้เฉพาะสัตว์ที่มีสัญญาและใจมีการทรงจำและมีใจเช่นถ้ายองไปอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายัตนะหรือสัญญาเวทิตันโลดสองสมาธิครันนี้ผู้เจ้าสอนไม่ได้บอกชา ย, ยีพิสุผู้นั้นจะต้องออกจากสมาบัติเข้าสมาบัติออกมาแล้วเข้าไปใหม่แล้วจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบ สอนไม่ได้ละเพราะในขณะนั้นสัญญาเขาไม่มีนะหรือมีบ้างไม่มีบ้างนะนั้นการทรงจําไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียประโยชน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการรู้ตามซึ่งสัจธรรมของพระตาตาคตนะ <c oughs> <c oughs> ให้ดูในอันนี้กันหนึ่งโครงการที่เรากําลังทําหนังสือพุทธวจนะตรงนี้ อันนี้กำลังออกแบบปกมาแล้วนะหวังว่าชีวิตนี้คงได้อยู่ดูครบสามสิบสามเล่มนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูแบบหน้าตานะว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรพอนะดีออกแบบปกเสร็จแ ล, แล้วให้เขาส่งเป็นภาพสามมิติออกมา จะได้ดูปรับปรุงแก้ไขว่าควรจะปรับแก้อย่างไงต่อเพราะทั้งหมดมันจะมีสาสิบสามเล่มก็คือตัววินัยปิดกแปดเล่มและสุดตันตับปิดก2ี่สิบ้าเล่มส่วนอภิธรรมปิดกเนี่ยคือแต่งใหม่ทั้งหมดนะแล้ว <c oughs> ก็เอาออกไปแม้แต่ในวินัยปิดกเองนะ ยี่นาิดกเองหรือสุดตังตปิดอกเองก็มีส่วนที่แต่งใหม่นะเราก็เอาส่วนที่แต่งใหม่ออกให้เหลือแต่พุทธวชนาะล้วนๆ น, นะนั้นเขาก็แยกไว้แล้วนะคือพระสูตรและอัตถกาถาคือสาวกภาสิทธ์กับตถาคตภาสิทิเราก็ปี้แต่ตถาคตภาสิทธิ์เท่านั้นมาใส่ไว้ในหนังสือเล่มเดียวเพื่อให้เวลาเราเปิดอ่านจะได้ไม่ต้องมาแยกอีกว่าอันไหนคําแต่งขึ้นอันไหนคำต ถ, ถาคตนะ เปิดมาปุ๊บนี่ก็คือมีแต่คตาตถาคตล้วนๆหนัง <c oughs> สือเล่ม น, นี้ก็จะใช้คําว่าพุทธวจนะคือคําที่ออกจากปากพระตถาคตวจนะหมายถึงคําพูดพุทธะเพราะองค์บอกว่าองค์คือพุทธะมีคนมาถามผู้เจ้าว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านเป็นยักษ์หรือท่านเป็นเทวดาหรือวิ้จาตอบใหม่ให้ทราบว่าเราเป็นพุทธนะนะเป็นผู้รู้ <c oughs> เป็นหนึ่งในชื่อของพระศาสดาของเราสันหนังสือก็จะพุทธวจนะสีของวุนายปิดกกับสุดตันตปิดกจะแยกเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงนะตัวเลขไม่เป็นรันนัมเบอร์ระหว่างเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่สามสิบสามนะส่วนจะมีรันนัมเบอร์ของวุนายปีดกต่างหากนะตัววุนายปิดกก็จะมีเล่มหนึ่งถึงเล่มแปดนะ แล้วก็ตัวสุดต่างๆก็มีเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่ยี่สิบห้าเราจะใช้ตัวเลขเพื่อไม่ให้สับสนก็คือตัวเลขของเล่มเนี่ยจะเด่นนะอันนี้คือเรียงทั้งตั้งแต่เ ล, เลข เ, เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่สามสิบสามเสร็จเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดของวินัยปิฎกนะตัวเลขจะเป็นสีเดียวกันให้สังเกตยากหน่อยนะคนที่ต้องการเข้าไปเจาะในแต่ละเล่มของวินัยปิฎกก็จะ ต้องดูตัวเลขตัวนี้แต่ถ้าบอกว่าเล่มไหนเป็นภาพรวมทั้งหมดให้ดูตัวเลขใหญ่ตัวนี้นะนั้นตัวเลขเล่มทั้งหมดนี้ก็จะให้ตรงกับบารลีสามล้านนั่นเองเพราะเวลาเรากลับไปเทียบเคียงกับบาลีสามล้านะที่รอหนึ่งและรอห้าได้ประชุมส่งทั่วประเทศได้ทำเอาไว้เป็นมรดกทิ้งไว้เนี่ยก็เราจะได้เทียบเคียงให้ตรงกันนะั้นอันนี้ ไม่ได้แต่งอะไรใหม่ก็ปีของเดิมของบาลีสามรัฐแต่เอามาในส่วนที่เป็นพุท ธ, ธวัชนะล้วนๆเท่านั้นนะทำแต่งใหม่เอาออกไปแล้วเราจะได้ศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาธรรมพระสัสาทั้งหมดสาสิบสามเล่มตัวนีนะ้เพียงแต่ตะมาว่าถ้าใครยังไม่มีฉันทาพอศึกษาห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่ท่านาพทุทธทาทไว้ก่อน เพาองค์ความรู้มันจะไม่แตกกระจายในสามจุดสามเล่มนี้องค์ความรู้มันจะอ้งขวางมากโยมจะจับประเด็นไม่คยถูกแต่ถ้าโยมเริ่มจากห้างเล่มนี้ก่อนนะมันจะเป็นเรื่องของอริสัตถีล้วนๆทั้งหมดอริสตรัตจากพระโอ์มีสองเล่มเล่มใหญ่ขนาดนี้สองเล่มภาคต้นภาคปลายปฏิจจสุบาตก็เล่มใหญ่ขนาดนี้หนึ่งเล่มพุทธประวัติจากพระโอ์และพระขุมทรัพย์จากพระโอ์รวมมาห้าเล่ม เป็นคําศาสดาเราทั้งหมดที่ท่านพุทธทาเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยทำเอาไว้นะส่วนหนึ่งในฮาเลมนะนี่เราก็มาต่อยอดจนครบพระบิดกทั้งหมดคือให้ครบสามสิบสามเล่มเลย <c oughs> แต่เราไม่ได้ดึงมาเฉพาะอาริสัตแล้วรวบรวมมาเป็นเล่มเดียวอย่างนี้อย่างนี้ท่านลําบากอีกนิดหนึ่งคือท่านรวมเฉพาะอาริสัตสีแล้วเอามาเป็นอยู่ในเล่มเล่มเดียว ซึ่งมันจะสะดวกต่อผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะที่เป็นโลกุตระในการหลุกพ้นในการประพุทธปฏิบัติผู้เจ้าสอนทั้งชีวิตแค่นี้สองเล่มใหญ่แค่นี้เกยบละเราได้ข้อมูลทั้งหมดของพระสาสดาพอได้ห้าเล่มตรงนี้คร่องแล้วเนี่ยให้เราขยับไปสามสิบสามเล่มตรงนี้เราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแลวเราจะจับประเด็นของพระศาสดาได้นะถ้าใครยังห้าเล่ม น, นี้ไม่ไหว นะก็เอาสิเปล่มเล็กนี้ไปก่อนนะมีรุ่มจิ๋วให้นะรุ่มน้องน้ําวุ้นนี่ยนะเอาสิเปล่มจิ๋วนี้ไปแล้วก็ค่อยขยับมาตัวนี้ก็ได้แล้วค่อยขยับไปตัวนี้ต่อไปนะเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะทําลงในแผ่นซีดีด้วยนะเอ่อ ในแผ่นซีดีโปรแกรมในแผ่นโปรแกรมก็คือบรรจุบาลีสามรัษซึ่งเราจุบรรจุไปทั้งก้อนคือทั้งพุทธวจนะแล้วก็สาวกภาษิตนะเพราะในบาลีสามัษก็มีสองส่วนดังนั้นเวลาเราไปสแกนค้นหาคำเราจึงต้องแยกอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสามบสามเล่นไม่เสร็จก็ไม่ต้องแยกแล้ว นะคือถ้าสแกนเจอก็เจอไม่เจอก็แสดงว่าไม่ไม่ใช่ผู้ทวิชนะในส3บสามเล่ม น, นี้ตัวที่ตั้มกึ่งว่าเอ๊ะใช่ไม่ใช่เราก็จะเอามาใส่ด้วย น, ะนันก็จะพยายามไม่ให้ไม่ให้ตกหล่นนะตอนนี้เล่มแรกคือเล่มที่สิบเก้าก็กำลังใกล้คลอดนะใกล้จะออกมา เหลือในเรื่องของเชิงอาจว่าเราจะจัดระเบียบเชิงอ่านยังไงเพราะว่าจุดบกพร่องมีหลายรูปแบบมากนะบางทีคําเดียวแปลได้หลายลักษณะเพราะเราต้องทำตานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ด้วยเดี๋ยวสแกนหาไม่เจอนะก็ต้องมาปรับสัมนวนให้อันเดียวกันแต่เราจะไม่ได้ปรับบาลีสยามเราเราจะใส่เป็นหมายเหตุไว้เท่านั้นนะไอ้ตัวหมายเหตุนี่แหละที่ ที่นั่งคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงให้ให้หมายเหตุเนี่ยมันมันดูกลมกลืนเพราะในบางเรื่องเป็นเรื่องที่ผิดเห็นชัดๆบางเรื่องมีการถูกหลายแบบนะบางเรื่องมีถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแง่มุมนะก็ <c oughs> จะทำไงให้เชิงอัดเนี่ยมันสมจริงมากที่สุดถูกต้องมากที่สุดนะก็กำลังออกแบบตรงนี้แล้วถ้า เสร็จเลีล้วก็จะทำมาเป็นพุทธวัชนะนะถ้าเราเรียนในชั้นหนังสือก็จะได้แบบรูปแบบนี้ที่เห็นนะก็เดี๋ยวจะให้นักพัฒนาโปรแกรมนะมีอาสาสมัครที่ช่วยทำแอปพลิเคชันให้จะเอาหนังสือสิบเล่มนี้บรรจุลงในแอปพลิเคชันสร้างลงในของ a อ p l e กับของ Android ด้วย ใ น, นเวลาอีกหน่อยในอนาคตจะได้ไม่ต้องแจ่ายหนังสือหรือว่าแจกได้น้อยลงพวกเราก็โหลดเข้ามาอย่างในมี iPad พดะกดซื้อไอทูปที่จะหนังสือถ้าเราไปดูใน iBook ตัวนี้นะเราก ด, ดขึ้นมาปุดด๊บเนี่ยเราบรรจุถ้าเริ่มจากโหลดเข้าไปนะ รวมเล่มดูได้ทุกหน้านะนี่เป็นชื่อหนังสือนะสิบเรื่องของเราแล้วก็ห้เรื่มจากพระโอษอะไรยวินัยเราก็จิ้มจิ้มจิมจิ้ ม, มขึ้นมาได้ลองจิ้มมาดูสะกันก็ได้นะอันนี้จิ้มตัวตามรอยทำปั๊บเนี่ยเลื่อนไปนะดูแต่ละหน้าหรือดูแถบข้างล่างก็ได้นะลองดูที่มีแถบบางอ่ะอยากจะเลือกดูหน้าไหนก็เลื่อนหน้านั้นได้ตัวเลขหน้าจะวิ่งให้ตรงนี้นะ ส่งข้อมูลไปยังคนอื่นได้นะเซิ Search หาคำได้นะติดแท็บได้ว่าเอนาน้ามิสนใจติดแท็บแดงนี้ได้มันจะขึ้นแท็บแดงให้เหมือนตัวที่ขัานหนังสือนะอย่างนี้ก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะอม iPad มีไว้สักเครื่องก็ดีหนะ่อยทมาแต่ก่อนไม่ก็ชอบเราซื้อมาถวายอันหนึ่งล้วก็เก็บไว้เฉยๆแต่พอ มีคนท e ําอีติปิสการได้แล้วมันสแกนได้ในนั้นหะแหนเข่าท่าเนาะนต้องมีสักอันหนึ่งแล้วนะแล้วมีคนมาถวายอีกตัวหนึ่งก็เลยได้ใช้จิ้มก็ไม่เคยเปลี่ยนเราฝึกไปฝึกมามันก็พอได้อย่ามนะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลองใช้ก็ดีไม่ต้องพกอย่างนี้สามบามเล่มถือไอ้แ ผ, แผ่นนี่แผ่นเดียวไอ้ครบเลยนะอยู่ใ น, งนปงในป่าก็ได้ถ้าฐานไม่หมดนะอืมอะเตรียมที่ชาร์จทานไปด้วย แล้วดูหนังสือจากพะโอดได้ตลอดนะก็ยังเตร่ยมให้ดูความกล้าหาสักนิดหนึ่งค่อยๆขยับไปก็อาศัยกลุ่มอาสาสมัครช่วยๆกันทำนะก็ยากยมเหล่านี้แหละจากความรู้ศูนย์น่ะค่อยๆมาทำได้น่ะาะนนั้นอาตมาไม่ยากหรอกนะมา คุยกันพักหนึ่งให้รู้หลักการว่าคำผู้เจ้าเป็นยังไงคำแต่งหมายเป็นยังไงจากนั้นก็ให้เขาไปช่วยกันทำแบ่งกันไปคนละเล่มคนละครึ่งเล่มคนละหนึ่งในสามของเล่มแล้วก็นั่งตรวจตรวจกันนะรูปตัวสอนแล้วก็ตรวจในหลายๆเรื่องเราก็จะแนะนำข้อมูลให้เข้าไปนะเมื่อวันเพื่อไปบรรยายที่วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ก็จะมีทั้งสามเหล่านะก็จะ่้นหลังจะได้ไปบรรยายประจำกับอีกที่โรงเรียนเสนาะที่ขันาหารโร <c oughs> งเรียนเสก็เป็นระดับพุ่งครับองพันนะพวกวิาลเสก็จะเป็นระดับพุ่งครับการกบนะเป็นพันเอกพิเศษขึ้นไปก็เขาจะได้ รู้เรื่องพุทธองค์จะน่าบ้านเพราะทะหารไม่ค่อยจะสนใจเรื่องพุทศาสนานะก็มีกลุ่มที่เป็นทหารอยู่แล้วก็นิมนต์ไปพอเขาก็เคยไปปฏิบัติผิดมาหลายที่หลายทางเขาเคยเป็นนั่งสมาธิแบบปีชานัน่งเขย่าตัวน ะ, ะก็เลยมาถามว่าทูตเจ้าได้สอนอย่างนั้นบอกนี่ไม่เคยเจอที่ ครูชาตัดว่าสมาธิจะต้องคิดนั่งเขยา่าเขยา่านะเขาก็ไปฝึกมาเป็นปีนะเห็นไหมว่า้การบัญญัติใหม่แต่งใหม่นี่ยมันทำให้คนมันหลงทางไปเยอะยๆแล้ว <c oughs> คนก็ไปทํากันเยอะแยๆเหมือนกันนะอืเราไม่รู้จะไปแก้เขายังไงจะไปแก้เจ้าสาํานักเขายากเหมือนกันเมื่ออาอตมาก็ได้รับข้อมูลไปงานศิษย์เก่าของสาธิกเกษตร ก็สายพิฆาติก็มีรุ่นก่อนๆประมาณรุ่นห้าเขาส่งเอกสารมามีรุ่นหนึ่งบวดเป็นพระอยู่ด้วยมีรุ่นอีกรุ่นน้องอีกหลายรุ่นก็มีประมาณหกลูกก็ปรากว่าเราก็ดูเออนะมันมานั่งฉันรุ่มกันไม่ได้เพราะมันฉันคนละแบบจีวรมันก็คนละสีข้อปฏิบัติก็ต่างกันนี่มนมาหกูกก็ต้องหกแบบ ก็ต้องจัดเป็นหกห้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างชั้นต่างกินต่างพูดนะก็เลยมันก็แปลกดีนะทศมาก็ยังคิดอยู่ว่าเออมันจะเป็นโอกาสอันดีไหมที่มิมนมาแล้วก็ได้จุดประกายตรงนี้นะแล้วก็นำเสนอว่าพระคนจะเป็นหนึ่งเดียวกันดีไหมนะลูกสิษย์ถาพค์เหมือนกันอ่นะ ปฏิบัติเขาวปฏิบัติเดียวกันวางความเห็นของอาจารย์ไว้ก็เดินตามผู้เจ้าถ้าผู้เจ้าบอกอะไรแล้วผมไม่เหมือนเนี่ยผมยินดีเปลี่ยนของผมอาจารย์ยินดีเปลี่ยนของอาจารย์ไหมนะถ้าผู้เจ้าว่าอย่างนี้แล้วเราก็มาปรับให้เหมือนกันอย่างเนี้ยใช่ไหมโดยที่ใครก็ตำหนิใครไม่ได้เพราะว่าเรามาทําตามผู้เจ้ากันนะและทีนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยต่อไปงานรวมรุ่นของโรงเรียนก็ เราจะนั่งฉันได้กันได้วันนี้ก็ฉันในบาทนี่ฉันในวงเป็นสําหรับเป็นจานข้าวนี่ไปคนละแบบคนละอย่างนะอันนี้ฉันมือเดียวนี่ฉันสองมือเวลาก็ไม่ตรงกันอย่างเนี้ยจะลากเกาไปฉันเพลนแล้วก็อยเราฉันเช้านะจะลากเข้ามาฉันเช้าแบบเปล่าเขาก็มื้อหนักของเขาคือมือเพลนเขานะอ่าอย่างนี้ไม่ตรงกันอีกแล้วนะ ก็คิดว่าในโอกาสต่อไปก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มั้งนะอืก็อยู่ที่ว่าเราจะยอมเดินตามคําพระตาาโคตกันไหมถ้าเรายอมเดินตามก็หมดปัญหาเลยแล้วเราจะใช้ตําราเดียวกันตอนี้ปัญหาก็คือมันมันยังไม่มีตําราเดียวกันขึ้นมาเพราะนั้นอาตมาก็จึงพยายามสร้างตาําราพุทธวจนะให้มากนะอืแล้วก็ คำทั้งหมดของพูเจ้าก็ต้องต้องทำต้องมีไว้ใ น, นหลักฐานที่เป็นหนังสือก็ควรจะมีไว้เหมือนกับใบลานที่ผ่านมาสองพันกว่าปีในถ้ำอัฟกานิสถานก็ยังเจอนะ อ, อีกหน่อยนีย้อาจจะเป็นหลักฐานอย่งดีในพันหรือสองพันสามันปีในอนาคตถ้ายังอยู่นะ <c oughs> รวมถึงต้องทำเข้าสู่เทคโนโลยีในอนาคตด้วย ที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เข็นๆให้ดูท่านี้กันมีคำถามไหมครับมีมาประสมควรอาจารย์ครับได้ความหมายของเวทนา <c oughs> ในสติปัฏฐานสี่ในขันห้าหรือในปฏิยัสมุบิบาทเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เ, เหมือนกัน คือเวทนาในสติปัฏฐานสี่ก็มันเดียวกันนะนั่นแหละคือเวทนาขันเพียงแต่พระองค์อธิบายด้วยการรู้ลมหายใจการรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นสติปัฏฐานสี่ตัวเลยกลายเวทนาจิตตามครบต้องตัดว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้น ชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ที่สุดนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขีเล็มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ <c oughs> การที่เรารู้ลหมหายใจผู้รู้ไปรู้ลหมหายใจเนี่ยแต่คนนั้นยังมองใน ม, ในมุมของเวทนา เขาทําในใจเป็นอย่างดีซึ่งการรู้บนหัวใจผู้เจ้าบอกคนคนนั้นชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนานะนั่นคือเขาจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารแล้วเขาจะทำจิตตสังขารให้ลํา ง, งับนะนี่จะเป็นเวทน า, น, น, า, านุทัิศสนาสี่ประฐานที่พระองค์ได้อธิบายไว้พระองค์อธิบายอานาปานสติที่บริบูรณ์จะเป็นเหตุให้โพชฌเจ็ตบริบูรณ์เป็นเหตุให้ อนาปานสต่บริบูรณ์เป็นเหตุท่านใสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์พบชงเจ็ดบริบูรณ์และวิชาวิมุตติบริบูรณ์แค่รู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจะได้ลำดับไปจนทั้งวิชาวิมุตติปรากฏดังนั้นถ้าไปได้ยินใครพูดว่าอนาปานสติเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาดังนั้นเลิกคิดได้แล้วพนะรัตถากฎอธิบายตั้งแต่ รู้ลมหายใจวาหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นลู้ออกสั้นรู้ไล่ลําลดับไปจนทั้งมิชาบิมุสปรากฏขึ้นนะละเอียดละอามากนะจะอยู่ในอริสัต์จากรวโอดหน้าแปดร้อยกว่ากว่าหน้าท้ายๆนะค่อนข้างยาวหลายสิบหน้าอยู่ <c oughs> ดังนั้นขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเนี่ยชี้ว่าเรากําลังเพียนเผ่าพิเลศแล้ว แล้วเรามีสัมปชัญญะมีสติและวนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ตัวลมหายใจก็เป็นกายานุปัสตนาสิปทานเพราะองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะนั้นลมคือกายกายคือลมเหมือนกัน <c oughs> ใครรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกชื่อว่าเห็นกายในกาย พิสูทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าแลวลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายในก่อนอาตมาก็ไม่เคยรู้ว่าลมหายใจีนจัดเป็นการมนกันทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็รู้ว่ากายมีทั้งสีด่ดินน้ำไฟลมแต่พอจะมาเอาสติปัฐานจริงแลง้วลมคือกายหรือเปล่าภูจ้าต้องตอบย้ำไว้อีกแล้วพระองค์ก็อันนี้เราเชื่อมโยงโดย ความหมายโดยอัตตแต่โดยโบทปชนะจะมีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกว่าอาณาปานสตินี้จัดว่าเป็นกายยัคตาสติพระองค์อธิบายกายยัคตาสติเช่นอะไรนะการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทนะการพิณาสุภาการรู้ลมหายใจเข้าออกการเข้าชานหนึ่งสองสามสี่พวกนี้เริ่มเป็นกายัคตาสติทั้งหมดเลยนะ อันนั้นคือจะตรงระบบพันชนาเลยนี่ก็เลยให้พวกเราดูว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอนาปานาสติเพียงอย่างเดียวนะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะนะเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโศกปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสัทั้งหลายจึงเกิดครบท้วน คำถามว่าโศกะปริเทวะทุกขโทนัสุปายาสะทั้งหลายนั้นหมายความว่าอะไรคับมายถึงความโศกความร่ําไรความรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลาย น, นนี้คือความทุกข์แบบต่างๆที่พระเจ้าบรรยายแตกออกไปซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีแค่นี้นะพระเจ้าบอกว่าทุกขสัตว์เนี่ย ถ้าจะให้อัตตาที่บายไปแล้วเนี่ยสามารถอตาที่บายได้โดยอเนกปริยายเยอะมากนะพรนธนาไม่ทวนนะนั้น <c oughs> อันนี้เป็นแค่ทุกระดับหนึ่งนะที่พพุทธเจ้าสรุปเป็นภาพรวมสั้นๆ น, นะ วิธีดูรูปนามเกิดดับได้อย่างไรไปดูในอาหารสี่วิญญาณอาหารวิญญาณอาหารพระองค์บอกว่า <c oughs> ถ้าอริยส า, าวกเนี่ยกําหนดรู้เรื่องอาหารของวิญญาณเนี่ยนะชื่อว่ากําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และไม่มีสิ่งใดที่อริยส า, าวกผู้นั้นจะต้องทำให้ยิ่งไปกว่า น, นี้ทําแค่นี้พอลนะนะเราลองดูตัวนี้นะ ดูก่อนพื้นฐาทั้งหลายเมื่อวิญญาณอาหารอันอริยาสาวกกําหนดรู้ได้แล้วนานรูปย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกนําหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อนามรูปเป็นสิ่งที่อริยาสาวกกําหนดรู้ได้แล้วเราย่อมกล่าวว่าสิ่งใดๆที่ควรกระทําให้ยิ่งขึ้นไปย่อมไม่มีแก่อริยาสาวกนั้นดังนี้บางทีต้องตอบอย่าไม่ด้วยว่า อย่าตะกายมากไม่งั้นเราจะแสวงนะวิ่งบางวิธีนี้ได้ไหมวิธีนี้ได้ไหมาทาแค่นี้ไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นนะแล้นอาหารเสรียตั้งแต่กับพระลีกาลาหารผัสสาหารมโนสันเทนาหารอันนี้วิญญาณอาหารเราใหงรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวจิตไปรู้อะไรนี่เราดูวิญญาณวิญญาณมันไปรู้อะไรมันไปกินอาหารนะปับป๊บปั๊บเดี๋ยวมันไปรู้เวทนาไปรู้สัญญา ไปรู้สันขานกลับมารู้ลมคือรูปนะ่ะวนอยู่ในสี่ท่าเหล่านี้ขณะเช่นไปรู้สัญญาขันคิดไปเ่ในเรื่องอดีตขณะนั้นเนี่ยที่รู้สัญญาขันไม่รู้ลมแล้วเนหะ็นไหมนั่นคืออะไรดับลมดับลมคือรูปใช่ไหมนั่นคือรูปดับนั่นเองนามธรรมเกิดคือสัญญาขันรับรู้แล้วก็เพลนไปสองสามนาทียมรู้ตรวจ ด, ดึงกลับมาสัญญาขันก็ดับไปสัญาสญาคือน้ำใช่ไหมนั่นคือนามดับ กลับมาปุ๊บรูล้ ล, ลูกอีกครั้งหนึ่งลูกเกิดอยู่กระลงสักพักหนึ่งหลุดไปแล้วลูกดับเวทนาเกิดอีกแล้วอนะ่เกิดพอใจไม่พอใจเพลินไปสักพักหนึ่งดึงกลับมาเวทนาดับลูกเกิดนี่ลูกน้ำเกิดดับเราจะเห็นตลอดเวลาแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะแล้วก็เห็นซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสาวิธีนี้เข้าถึงผู้หานได้ มีกตภอาหารอาหารอย่างแรกคืออาหารคือคําข้าวอันนี้จะได้ถึงอนาคามีนะพระองค์บอกว่าสังโยชนิดที่จะเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกนี้ได้อีกย่อมไม่มีนะ้างสังโยธาเบื้องต่ําไดนะ้ส่วนตัวนี้นี่เข้าได้ถึงพระหรันตัวผัสสะสารกับมโนสัญเจตนาหารก็ตัดไว้เหมือนกันนะก็คือทำตัวผัสสะสารกับเวทนา กรรมนโนสังเกตนาอาหารก็เข้าถึงพระราหารและไม่มีสิ่งใดที่จะต้องทำให้ยิ่งไปกว่า น, นั้นนั้นเวลาคนคนนั้นเนี่ยมาดูอาหารคือผัสสะพระเจ้าบอกเขาจะกำหนดเวทนาได้เขาจะรู้จักเวทนาสามคือสุขทุกข์อธทุกขมสุขดูสามตัวนี้ละสุขได้ไม่ว่าละราคานิสัยได้ละทุกข์ได้ไม่ว่าละปฏิคานิสัยได้ ละอุทกมสุหรือตัวเบิกาได้ชื่อว่าละอวิชานุัสได้ส่วนตัวมโนโสังเกตานอาหารผู้ใดมาเห็นตรงนี้เขาจะเห็นตัณหาสามคือกรรมัตัณหารพระวัตัณหาวิพวตัณหาและทั้งละตัวนี้ได้สามตัวนี้ก็หลุดพ้นเลยเหมือนกันเหมือนวิญญาณอาหารนี่เรื่องของอาหารสี่เรื่องต่อเนื่อง การที่วิญญาณไปจับอยู่ที่สังขารมา ก, ก่อกายโดยไม่ต้องบังคับจะมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรครับงานไปก่อที่สังขารคุ้าให้มาก่ออะไรล่ะให้มาก่อที่กายทางเวทนานะเมื่อเราละ ส, สัญญาหรือสังขารหรือเวทนาแล้วเนี่ยกลับมาอยู่กายเราจะเห็นสามตัวนี้เกิดดับ น่มนะอ่าเดี๋ยวให้ท่านาเจอแล้วจะขึ้นให้ดูอีกอย่างหนึ่งที่จะสอนรับกันคือที่จับไว้กับพ้านนว่าสิ่งอันน่าอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าคืออะไรพวกองค์เห็นเวทนาสัญญาวิตกเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปคุยกันเรื่องปฏิหารต่างๆนี่นะก็ดีอยู่ นะแต่ยังไม่น่าสัจรย์สิ่งที่อศัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าอานุนจำไว้นะปกติผู้เจ้าพูดก็จะต้องจำอยู่แล้วแต่นี่ต้องติมย้ำให้ออนุนจำไว้นี่เป็นความอาศัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคือต ถ, ถาคตเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมันทําให้พระองค์เนี่ยหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นะนั้นเราไม่กลรวเอาจิตเข้าไปอยู่กับ ตัวสังการธรรมนะให้ละเสียนะไม่งั้นมันจะมีการเกิดอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะพยายามกลับมาอยู่ที่กายกายยกาตาสตินะสมาธิสมาธิภาวนาสีแบบนะเป็นไปเพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมการได้ยานทัศนะเพื่อสติสัมปัานะเพื่อสิ้นอาสวะนะ ดูสติสัมปชัญญะขึ้นอีกครั้งอานนี้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจมแจ้งกับพิสุทสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจำแจ้งกับพิสุทธิ์ตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่แจำแจ้งกับพิสุทพุทธเจ้าใช้คําว่าพิตก เพราะสังขารมีประมาณมากสังขารสามารถปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งสังขารโดยความเป็นสังขาร น, นะจึงใช้คําว่าสังขารทั้งหมดไม่ได้แต่ต้องใช้คําว่าวิตกนะ <c oughs> คนที่เข้าไปอยู่ในสัญญาเวทิตนิโรจก็ยังมีสังขารอยูนะ่สังขารตัวนั้นปรุงแต่งแค่ว่านี้เป็นเรารู้แค่นี้ไม่มีอะไรปรุงแต่งที่เหลือเงียบสนิทหมดเลยนะเฉียดนิพพานและนิดเดียวอืม ก็มีสังขารอยู่นะปูนแต่งว่านี้เป็นเดายึดว่าวิด ญ, ญาณเป็นเดาแค่นั้นเองมันตรงนี้พระองค์ใช้คำว่าวิตตุลนะความรู้สึกทางกายกายสัมผัสเป็นเวทนาในสติปัญสีตัวเดียวกันใจหรือไม่ครับกายสัมผัสกายสัมผัสสัมผัสเป็นอย่างได้เกิดเวทนาต้องถามว่าแล้วได้เวทนาอะไรนะนั้นเวทนาเนี่ย จะีอาการคือสุขทุกทุกความสุขนะสามตัวนี้เวทนานี่พู่ไปได้เป็นร้อยแปดนะเป็นปันเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเวทนากระจายออกเป็นสามในตาหูจมูกลิ้นกายใจสามหกสิบแปดกระจายเอาอแล้วนะสามให้กระจายอย่างนี้ยออกไปนะกออกไปออกไปไปได้เรื่อยๆนะนท่านอธิบายตรงนี้เอาไว้อยู่แล้วพระองบอกว่า อย่าทุ่มเถียงกันในเรื่องของเวทนาเลยมันพูดได้มีประมาณมากนะเรื่องของเวทนา <c oughs> นั้นตัวตัวสัมผัสก็คือตัวที่วิญญาเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในคลองแห่งจกักรสุโสตะคานะชิวหานะช่องทางใดช่องทางหนึ่งในภัสายยันะทั้งหลาย6กประการนะเพราะฉะนั้นภัสสา6ประการเป็นเรื่องที่สำคัญ <c oughs> ใครไม่รู้ภาษาหกประการเนี่ยผู้ชื่นบอกว่าไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สรณะไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ น, นั่นแสดงว่าเขาไม่ไม่ถือว่าเป็นสมณะเพราะเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษายตนะทั้งหลายหกประการมันเป็นจุดตั้งต้นของทุกต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยนั่นก็จงตัดว่าทุกมีเหตุเกิดมาจาก พัสสัหรือสัมพันธ์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตูกเราด้วยคำไม่จรงิงนะสามารามามและผู้นู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอดเป็นผู้ที่ควรถูกตำไปด้วยการเห็นมีความรู้สึกทางตาเป็นกักสุมิยาณใช่หรือไม่จากจากความรู้สึกทางใจอย่างไรเพราะการเห็นก็ใช้ใจเห็นใช่ ต้องเข้าใจเรื่องปรัชญาหรือสัมผัสให้ดีว่าในสัมผัสแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีวิ ญ, ญญาณเข้าไปอยู่ด้วยทุกสัมผัสจะมีสามองค์ประกอบเช่นทางตาผู้ช่างเราจะต้องมีตามีรูปมีวิญญาณต่างตาถ้าทางหูต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูต้องมีสามองค์ประกอบ ใจเป็นผู้เข้าไปสู่ครองแห่งจักสูโสตานะชิวหาไนะล่ไปจนถึงมณะนะนั้นตัวใจก็เหมือนกันต้องมีธรรมารมณ์มีมโนโและมีมโนวิญญาณนะเมื่อมโนทำหน้าที่ก็จึงเป็นมโนวิญญาณแค่นั้นเองนะทุกภาษาจะมีสามองค์ประกอบดังนั้นถ้า มสมบูรณ์รูปสมบูรณ์กระทบกันแล้วแต่ไม่มีวิญญาณทางตาเข้าไปในช่องทางตาการเห็นก็ยังปรากฏมีไม่ได้นะองค์ประกอบไม่ครบนั้นถ้าเราจ้องอะไรอยู่นะอย่างตั้งใจบางทีคนมาเรียกเราไม่ได้ยินเพราะวิญญาณไม่เข้ามาอยู่ในช่องของโสตะนะไม่ไม่เข้ามาสู่คลองแห่งโสตะ หูก็จะไม่รู้เรื่องอะไรนะต้องมีใจเข้าไปรู้แล้วนะตัวที่ทรู้คือเห็นหรือว่าใจหรือว่าสติใจสติเป็นอาการของจิตสติ <c oughs> คือการระลึกได้ <c oughs> สติฝึกนะมันอย่างเดียวพอนะคือการร ะ, ะลึกได้กลับมา อย่าเพงไปสนใจว่ามันคืออะไรเพระนั้นสติคืออะไรเนี่ยผู้เจ้าเก็บไว้นิดนึ่งสำหรับคนที่แอบไปเจอนะจะไม่พูดไว้เยอะเพราะไม่งั้นเราจะมัวไปสนใจว่าสติมันเป็นยังไงเลยไม่ได้ฝึกสติกันนะไว้เก็บไว้ท้ายท้ายดีก ว, ว่าสติเราจะวิเคราะห์ให้ดูว่าสติคืออะไรนะ การทำวิปัสสนานั้นเพื่อให้ละสาเหตุแห่งทุกข์คืออุปาทานความยึดถือบางครั้งก็บอกว่าให้ละปัญหาความอยากโดยสับสนไม่รู้ว่าจะต้องละตัวไหนก่อนบอกอธิบายด้วยตัวไหนก่อนก็ได้มันละได้ทุกตัวมันละรูปเดียวเหมือนละนันที่เนี่ยแค่ละความเพลนอย่างเดียวมันละลูปหมดยันนิพพานเลยน ะ, ะมันจะทยอยหมดไปหมดไป เรียกว่ า, าวิชาจัดจางคลายไปค่อยๆจางคลายไปหมดไปทีเล็กทีน้อยน่ะวิชาจะค่อยๆเกิดขึ้นมาทีเล็กทีน้อยไปเรื่อยๆนะเป็นอย่างนี้เพราะนั้น <c oughs> ตัวนี้นมันละในบางมวิธีมันละได้เลืดเดียวทั้งหมดเลยทั้งสังโลี้ยดสิบเลยอย่างละนั้นที่อย่างตัวสติเนี่ยก็เป็นที่แล่อไปสู่วิมุติไม่ต้องอธิบายลงละเอียดว่าอะไรมันหมดไปบ้าง มันจะหมดไปทีเดียวเลยนะค่อยๆหมดไปหมดไปสัมโยชน์ทั้งสิบจะจางคลายไปเรื่อยๆนะทุกเราควรกําหนดรู้แต่ว่าเราควรจะรู้อะไรกันแน่ระหว่างกําหนดรู้ทุกกายทุกใจการเกิดดับของขันธ์ห้าความเกิดแก่เจ็บปายควรจะกําหนดอะไรอือจริงๆควรรู้จักหมดแหลนะ แต่ก็พยายามให้เน้นไปทางจิตเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลงกายดีกว่าหลงจิตเหตุเพราะว่ า, วาปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมก็ยังพอจะเบื่อหน่าในบ้านในกายอันเป็นที่ประชุมแหมงมาาปุตะทั้งสีน่นี้เพราะอะไรเพราะเมื่อเวลาผ่านไปห้าสิบปีบ้างแปดสิบปีบ้างร้อยปีบ้างนะกายนี้มันก็เลื่งมเสื่อมไม่เห็น คนที่ไม่เคยฟังธรรมเลยก็พอจะเบื่อหน่ายในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตาทั้งสีนี้ได้บ้างเพราะเห็นโทษของมันส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนไม่มีทางเห็นการเกิดดับมันเลยเพราะมันเกิดดับเร็วมากความเร็วของมันเนี่ยพระองค์ตัดไว้ในที่หนึ่งบอกว่ายากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำโดยมาพราะองค์จึงอุปมาเปรียบเหมือน ตอมน้ำนะขณะที่ฝนตกลงมาบนผิวน้ํามืเกิดเม็ดฟองขึ้นมายึดเต็มโลกธาตุไปหมดเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกดับตลอดเวลามากมายไม่มีประมาณสัตว์ผู้มีวิชาจะเข้าไปยึดวิญญาณดวงไหนเท่านั้นเองน <c oughs> <c oughs> เอาเป็นตัวมันของมันนั้นวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุรู้ท่านหนึ่งที่เข้ามารู้ขันเรื่องสี่รู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไป เกิดดับอยู่นี้ตลอดเวลานะความเพลินใดความเพลินหนึ่งความเพลินนั้นคืออุปาทานพุทธวจนะประโยคนนี้บอกเลอว่าอุปาทานกับความเท่ากับความเพลินเท่ากับนันทิฉะนั้นมวิธีละนันทิก็คือการฝึกละอุปาทานใช่หรือไม่เพราะว่าชาวพุทธส่วนใหญ่จะพุ้นหูกับอุปาทาน มากกว่านันทีทั้งที่เข้าใจยากกว่าขอพระอาจารย์สระลุกนะฮะใช่ใช่ใชขณะที่มีตัว <c oughs> ตัวเพลินหรือนันทีเนี่ยผู้เจ้าบอกมันคืออุปทานเพราะตัดป้าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานอล้นี้เพลินมันมาได้ยังไงมันต้องมีการเข้าไปหาก่อนแล้วเข้าไปจับยึดแล้วถึงจะเพลินต่อไปแล้วถึงจะจบด้วยชลามอนะคือดับนะ เพราะฉะนั้นการที่เข้าไปหาเนี่ยเรียกว่ามีตัณหาหรือหน้าติความน้อมไปน้อมไปสู่อารมณ์เมื่อน้อมไปแล้วเนี่ยนะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอะไรเหตุให้เกิดอุปาทานเพราะนั้นเมือ่อน้อมเข้าไปแล้วจะมีการจับเพะนั้นถ้าจะมาไม่จับกระดาษต้องหล่นเนั้นจิตหรือวิ ญ, ญญาณขานเข้าไปสู่อารมณ์ปับ๊บจะจับหรือเรียกว่าตั้งอาศัยหรือเรียกว่ากินอาหารนะ ผู้เจ้าจะเลียกใช้หลายอย่างเข้าไปทักอาศัยหรือเข้าไปจับยึดอุปทานเมือ่อมีวัฏทานปุ๊บ ก, กระดาษมีแล้วในมือ น, นั่นคือพบมีสถานที่เกิดแล้วนะเหมือนอะไรมะเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนาปับ๊บมีที่ตั้งของมเมล็ดเพื่อพร้อมงอกแล้วเห็นไนหะพร้อมที่มันจะงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิญญาณขนันเข้าไปสู่อารมณ์สี่ธาตุ ลูกเวทนาสัญญาสังขารเข้าปั๊บไปด้วยตัณหาเกิดการจับยึดพบมีขึ้นวินาทีแรกนี้วินาทีที่สองสามสี่เรียกว่าเพลิหรือเรียกว่าชาตินั่นเองเพลิ plain. คือชาติการเกิดจเจริญงอกงามไพบุญขึ้นมามเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเป็นต้นนะคือชาติขณะที่มันตกลงไปตั้งอาศัยบนผืนนาะเรียกว่ามันมีพบมันงอกขึ้นมาคือชาติ อ <c oughs> นั้นชาติก็คือตัวเพลินนันทิราคะเพลินหรือเรื่องอีกอย่างว่าสัญญโคะจิตผูกติดกับอารมณ์เรื่องน่าแห่งความเพลินเพราะฉะนั้นขณะที่เพลินคือเขามีอุปท า, านเขาจับยึดไว้ไม่ปล่อ ย, ไ ม, อยไม่ปล่อยอารมณ์เหมือนกันเลยเห็นนะและขณะที่ไม่ปล่อยคือพอใจถ้างความพอใจได้ก็ปล่อยกะสิแต่เหตุที่ไม่ปล่อยเพราะเราพอใจ เพราะฉะนั้นเวลาอารมณ์โกรธว่าฉันเกียรอารมณ์โกรธไม่ใช่ฉันนะชอบเพราะฉันจับมันฉันผูกติดกับอารมณ์นั้นไม่ยอมปล่อยจริงๆยอมชอบชอบมันดังหา่าง น, น ะ, ะถ้าไม่ชอบจริงก็ต้องปล่อยใช่ไหมพุทเ จ, าจ้าจะบอกให้ละนันทีให้ไวที่สุดและเมื่อละนันทีให้ไวปั๊บอุปทานก็หมดไงเคยจับแล้วปล่อยนั น, นทีก็ดับใช่ไหมจิตที่ผูกติดอารมณ์ก็หลุด นั้นการละนันทีนี่เป็นมรรควิธีที่สั้นง่ายที่สุดเลยโ <c oughs> ยนทิ้งอย่างเดียวโยนทิ้งโยนทิ้งแล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกยายยะคตาสติอย่าไปตั้งไว้ที่อื่นเพราะถ้าโยนอารมณ์นี้ทิ้งปั๊บไปคว้าลมใหม่ๆแล้วน่ะนี่วันนี้คิดวินาทีนี้คิดอดี ต, อ, ดนานาตอีกวินาทีหนึ่งไปคิดปวงนาคอีกวินาทีนึงไปจับสุขทุกอุเบกขา ไปเรื่อยเลยไปเนี่ยไม่อยู่กับกายขาดสติแล้วเนี่ยผู้ช่ให้กลับมาอยู่ที่กายแล้วเมื่อลันันทีแล้วเนี่ยตั้งจิตไว้ในกายยักาสติอยู่กับปัจจุบันกายเดินอยู่จะได้ไม่ตกท่อตกหลุมตกอะไรกลับมารักษากายเอาไว่เ้าใจไหมนั้นการลักนันทีคือการละอุปทา น, นด้วยเหตุอย่างนี้ ขาพเรียนพระอาจารย์ดังนี้การฝึกสติสัมปชัญญะด้วยการระลึกรู้ถึงความรู้สึกขณะนั่งนอนยืนเดินคูเข้าเหยียดออกขับถ่ายดื่มเคี้ยวนั้นๆการระลึกการระลึกรู้ถึงความรู้สึกนั้นๆจำเป็นต้องรู้ถึงความความดี ความดีของความรู้สึกเหล่านั้นด้วยหรือไม่ <c oughs> ความดับ <c oughs> ขอโทษค่ะ <c oughs> ความดับของความรู้สึกเหล่านั้นด้วยหรือไม่หรือเพียงแค่ตามดูตามรู้ไปเท่านั้นตรงเนี้เราสังเกตเองได้เลยเวลาเราตามรู้ในกะารเคลื่อนไหวผู้ชายบอกเหียดแขนคู้แขนลองดูสิว่าความรู้ตรงเนี้ยมันอยู่ต่อเนื่องไหม ไม่มีดวงจิตดวงไหนหรอกเกิดแล้วไม่ดับปันดับทั้งนั้นนะ่ะนะขณะเหยียดแขนไปกําลังรู้ตาไปปุ๊บหลุดไปคิดนี่ไหนก็ไม่รู้อา้าวเห็นไหยปัจจตังเลยรู้เฉพาะตนนะไม่ถามก็รู้อันนี้ตรวจตัวเองเลยตรวจไปเรื่อยๆนะก้าวเดินไปหลุดไหมหลุดนะทั้งนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะปัจจตังรู้เฉพาะตนแล้วเป็นพยานในตนเองได้หลุดปั๊บทํายังไงละนันทิเอากลับมา หลุปั๊ไม่ละสิจิตผูกกับอารมณ์ไปเพราะว่าพอใจอำนาจแห่งธรรมราคะอำนาจแห่งธรรมนันทิความเพลินและพอใจมันลากเราให้ผูกกับอารมณ์ไปสร้างชาติสร้างความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ของวิญญาณในภพนั้นๆแล้วนะแล้วก็จะจบด้วยชลาโมลณะ <c oughs> ดังนั้นนี่คือสังสารวัตวงจรของจิต กายยังไม่ตายเท่านั้นเองถ้ากายตายขนาดนั้นปุ๊บเนะี่ยตรงนั้นคือที่เกิดของเราทันทีซึ่งพระุทธเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีนั้นเราคิดอะไรตรงนั้นคิดกุศลก็ได้สุคติคิดอาบุญก็ได้ทุคตินะดังนั้นพระุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำหลีถึงสิ่งใด มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่มเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณยมคิดนิดเดียวปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปแล้วไม่ได้อยู่กับกายแล้วนั่นน่ะไปอยู่กับนมามธรรมแล้วเห็นะั้นถ้าโยมเก็บประเด็นในพระสูตรเหล่านี้ได้เนี่ยยมจะชัดเจนมากนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริด ถ, ถึงสิ่งใดอยู่ และย่อมมีจิตปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นเฉพา ะ, จะเจริญยอดงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีนั่นน า, นามรูปปรากฏขึ้นแล้วการก้าวลงคือการปรากฏขึ้นของวิญของนามรูปนั่นเองที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย <c oughs> นันลมาปฏิบัติเนี่ยมันมันเป็นเรื่องละเอียด เบาบางมากเลยเป็นเรื่องของจิตนี้เดียวแค่ น, นั้นเองต้องอาศัยความนิ่งความเป็นคนช่างสังเกตว่าจิตขยับยังไงขยับยังไงนี้เดียวนะนั้นแค่เราคิดนิดนึงนะไปแล้วไปแล้วนะนั้นกลับมารู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทของเราซะรู้นิ่งๆเฉยๆนะอกราบพระอาจารย์ขณะเดินจงกรมจิตไปคิดรู้ ดึงกลับมาที่เท้ารู้สึกเท้ากำลังเคลื่อนจิตอยู่อักจิตอยู่กับอาการเท้ากำลังเคลื่อนสักระยะหนึ่งจิตไปคิดรู้ถึงกลับมาที่อาการของเท้าเคลื่อนปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกแค่นั้นเองสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเกิดดับแล้วเมื่อเราเห็นจิตเกิดดับเรื่อยเรื่อยเราจะได้อะไรรู้ว่าจิตเป็นอนัตตานะ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาผู้เจ้าตัดไว้แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาและโยงจะได้ปัญญาอะไรต่อสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสโวหามัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสวตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสามตัวนี้จําให้แม่นนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสอนพวกเรา หายไปจากระบบการสอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนตังมะมะเนโสมาสมินะเมโซอัตตาเป็นคำที่สำคัญมากที่เป็นปัญญาสูงขึ้นไปอีกจากการเห็นอนตตาแล้วจะได้อะไร <c oughs> จะต้องรู้ว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันอย่างนี้ทั้งหักนะปัญญาตรงนี้จะเกิด ถึงจะถอนอาหารการเมัาางการความถือว่าตัวเราของเราออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะขณะที่มันดับหายไปเราไม่ได้ดับไปกับมันด้วยเรายังเห็นว่ามันดับไปแสดงว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันพูะเจ้าอธิบายอีกอุปมานหนึ่งอย่างนี้ <c oughs> เปรียบเหมือนเลขาวัดลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผา ถามสาวกเห็นไหมเห็นถามสาวกว่ า, า, า, ววาเธอรู้สึกเหมือนกับถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละถูกต้องอืทํายังไงเราจะเห็นอย่างนี้ดังนั้นใครเห็นอะไรแตกเกิดจนกระทั่ ง, ด, ง, ด, ง ด, ดับหายไปกิ่งไม้ถูกเผาเหลือขี้เถ้าแต่เรายังเห็นมันอยู่ตั้งแต่เกิด คือทั้งเหลือขี่เท่าเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมน่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นกิ่งไม้ยมลองปรับเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครเป็นคนเห็นสัตว์ผู้มีอวิชานั่นแหละเป็นคนเห็นอวิชาก็กำลังค่อยๆหมดไปหมดไปแล้วมันจะกลับข้ามาสู่สภาวะเดิมของมันคือวิมุติยานทัศนานั่นเอง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 ก็เพราะว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระ อ, องค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่ะามันไม่ใช่ของเรานะเราจะไปเจ็บทำไมใช่ไหนั่นแหละถ้ายมมองอย่างนี้ได้กับรูปเมื่อรูปตายเราจะไม่ตายไปตามรูปทำได้กับเวทนาเมื่อเวทนาดับเราจะไม่ดับไปตามเวทนาสัญญาสังขารโดยที่สุดวิญญาณเมื่อวิญญาณดับเราจะไม่ดับไปตามวิ ญ, ญาณ แต่เราจะเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งการเกิดการดับของวิญญาณแต่เราไม่ได้เกิดดับไปกับมันด้วยนะก็เข้าสู่ธรรมชาติที่ไม่ตายก็คืออสังขาลักษณะณอุปาโทปัญญาจิตไม่ปรากฏมีการเกิดนั่นเองนะงั้นผู้ที่สังเกตขันธ์ทั้งห้าที่เกิดดับเกิดดับแล้วมันไม่ได้ดับไปด้วยนั่นแสดงว่าอะไร มันไม่ได้เกิดไม่ได้ตายไปด้วยมันอยู่ตลอดไงนั่นสิ่งที่อยู่ตลอดนะมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วดังนั้นอสังขตนะณัอุปาโทปัญญาติไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะ ย, ยางอืง่นปรากฏอสังขตะอสังขตะนี้กาลังไปสังเกตสังขตะก็คือมีการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏตั้งอยู่ก็มีภาวะ ย, งยางอืง่นปรากฏ มันกําลังสังเกตสังคตะคือขันธห้าให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองนะเข้าใจนะเห็นไะอาตมาใช้แต่พุทธวจนะทั้งนั้นนั้นถ้าโยมศึกษาแต่พุทธวจนะโยมจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้จะกระจางในธรรมะของพุทธเจ้าทุกเรื่องทุกเรื่องเลยจะไม่มีสิ่งปอมปนเข้ามาอยู่ในหัวนะเะนั้นถ้าเรามีคําอื่นเข้ามาอยู่ในหัวเนี่ยมันจะโยมตักกะไม่ได้ พราะตักกาของสาวกภาษิตมันจะไปขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไม่บทใดก็บทหนึ่งนะนั่นถึงต้องเสพครบธรรมพระศาสน า, ศ า, ศาล้วนๆเลยเพียวๆเลยโยมไม่เข้าใจตัวเนี้ยไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยววันหนึ่งจะเข้าใจค่อยๆเข้าใจพระสู่ดินไปก่อนทีเล็กทีน้อยมันจะเชื่อมเชื่อมเชื่อมกันไปเรื่อยๆกราบพระอาจารย์ขณะเดินจงกรมปวดฝ่าเท้าน่องเข่า จิตส่งไปรับรู้ถึงอาการปวดไปเรื่อยๆบางครั้งปวดมากก็หยุดเดินสภาวะธรรมนี้เรียกว่าดูเวทนาในเวทนาใช่หรือไม่และเอาจิตเกาะอยู่กับกายใช่หรือไม่อืมส่วนใจเวทนาเราจะไปสนใจในเรื่องของเวทนาทางกาย ถ้าเราสนใจเวทนาทางกายเนี่ยก็จะเปรียบเทียบมีเวทนาทางกายกับทางจิตแต่ที่พระเจ้าตรัสสอนบ่อยๆเนี่ยพระองค์จะเน้นไปที่เวทนาทางจิตค <c oughs> ือสุขทุกข์แล้วก็อทุกขมสุขนะนั้นเวลาได้รับทุกเวทนาทางกายเนี่ยกิตทุกข์ไหมนะลองให้คร่ำควรตีอกร่ำให้หรือเปล่านะถึงความมีสติฟั่นเฟือนไหมนะอดทนได้ไหมนะ นี่กลับมาดูเวทนาทางจิตอีกทีหนึ่งนะดังนั้นผู้ที่ อ, อินทรียังไม่มากตรงนี้เราจมาแนะนำว่าผ่านไปเลยเดินเมื่อยก็ามานั่งนั่งเมื่อยก็ไปเดินเนะพราะพระองค์ก็สอนให้เดินสลับนั่งให้สาวกเนี่ยเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันไปจนกระทั่งสิ้นหยาแรกแห่งราตรี ตรงนี้ก็ดูเวทน า, าทางกายนั่นแหละถ้าจะดูเวทน า, าทางกายตรงนี้ให้ดูว่าใครเป็นคนเข้าไปรู้เวทน า, าทางกายนี้ก็คือตัววิญญาณขันนั่นเองเป็นคนเข้าไปรู้ถ้ายองจะสังเกตดูว่าเวทน า, าทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ได้ตลอดไหมก็ไม่ตลอดเดี๋ยวจิตที่รู้เวทน า, าตรงนี้ก็ดับไปเดี๋ยวไปรู้ที่อื่นต่ออย่างนี้นั้นตัววิญญาณขันก็ไม่มีความแน่นอนเกิดดับตลอดเวลา ยังสังเกตดูได้ว่าเวลาเราเจ็บเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางกายความเจ็บไม่ได้อยู่ตลอดเอาจิตเข้าไปดูเลยสักพักหลุดไปแล้วสักหนึ่งวินาทีกลับมาใหม่หลุดไปอีกแล้วไม่ได้อยู่ตลอดนะอเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรถาวอล น, นะถ้าจะดูให้ดูได้ประโยชน์อย่างนี้ว่าบิญยานที่เข้าไปรู้ความเจ็บก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดนะสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรม จะสามารถเข้าถูกเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานได้หรือไม่หรือเป็นเพียงตัวช่วยการนั่งสมาธิให้เข้าสู่ปฐมฌานเร็วขึ้นไปดูที่ยืนเดินนั่งนอนอันเป็นอันเป็นทิปนะไม่ว่าจะเป็นท่ายืนเดินนั่งนอนเท้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้หมดพูะอาจารัไดไว้ว่าสถานที่ใดก็ตามที่เธอ ยืนเดินนั่งหรือนอนแล้วเข้าฌานที่หนึ่งประตมะฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุฌานนั้นสถานที่นั้นเรียกว่าสถานที่ยืนอันเป็นทิพย์สถานที่เดินอันเป็นทิพย์สถานที่นั่งอันเป็นทิพย์สถานที่นอนอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นนั่นคือทุกทุกอิริยบทไม่ว่าแม้จะเป็นอิริยบทเดินก็สามารถเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่ได้นั้นพระองค์ยืนยันไว้แน่นอน เนีย่ยเรื่องข้าแต่พระโกดมผู้เจริญที่นั่งนอนสูงใหญ่อันเป็นทิพย์ซึ่งในบัดนี้พระโกดมเจริญได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากนั้นเป็นอย่างไรเล่าพรามในกรณีนี้เราเข้าอาศัยบ้านหรือนิคมใดอยู่เวลาเช้าครองชีวอนเที่ยวไปบินดาบาดในบ้านหรือนิคมนั้นครั้นเวลาหลังอาหารนะกลับจากบินดาบาดแล้วเที่ยวไปตามแนวป่าเรานั้น วัตถุใดมีอยู่ในที่นั้นนั้นจะเป็นหญ้าหรือใบไม้ก็ตามคร่ามาแล้วนะนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมอย่างเบาลองนั่งเนี่ยบางคนบอกไม่จาเป็นยาอย่าไปใช้นะเดี๋ยวมันสบายต้องนั่งแข็งแข็งผู้เจ้ายังเอาย่ามาลองนั่งเลยเห็นนะเนี่ยเก็บประเด็นให้ได้โยมศึกษาพุทธวจนารัเก็บรายละเอียดให้หมดผู้เจ้าจะแทรกรายละเอียดไว้ทุกเรื่องนะ เ, เรานั้นสงัดจั ก, กรกามและอุปสรธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งสองสามสีนี่เขาย่อไว้ท่านพุทธาย่อไว้อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วลายู่ปรามเราขณะเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเดินอยู่ในสมัยนั้นสถานที่ตรงนั้นก็ชื่อว่าที่เดินอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเดินแล้วเข้าหนึ่งสองสามสี่ได้เห็นนะนี่เพราะนั้น เราหาคำตอบโดยพุทธวจนะอย่างนี้และถ้าโยมต้องการสถานที่อันเป็นทิพย์ที่นั้นนะ่ยให้โยมเดินจงกรมนั่งสมาธิที่บ้านโยมก็เป็นสถานที่อันเป็นทิพย์นะไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนนะอย่างนี้จิตสามารถรับรู้ได้ทีละหนึ่งหรือทีละหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคะเพราะเมื่อเวลาเดินจงกรม เราก็รู้ที่เท้าว่าเท้ากำลังเคลื่อนไปและขณะนั้นก็รู้ที่ลมหายใจด้วยในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการก้าวหน้าควรเอาจิตไปไว้ที่ใดที่หนึ่งในกายคือรู้ลมหายใจหรือไม่ก็รู้อาการเคลื่อนไปของกายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยหรือรู้สลับไปมาระหว่างลมกับกายทำแบบไหนจะดีกว่ากันคะ เพื่อที่จะเป็นวิปัสนาดีหมดน่ะตรงเนี้ยมันเป็นวิปัสนาแล้วแต่ไม่รู้นะเดินจมกรมอยู่เอ๊ะเอาจิตตรงไหนดีเนาะหลุดไปคิดแล้วนันน่ะเห็นไหมนี่วิปัสนาเห็นแล้วแต่เราไม่เห็นมันเห็นไหอ่าดูจิตมันหลอกนั่นนี่ยความเป็นตัวเรามันเคลื่อนไปพร้อมกับความคิดคิดเราไปอยู่ตรงนั้นด้วยเราก็จะไม่เห็นเกิดดับที่มันเกิดดับนะลมก็ได้ ก้าวเท้าก็ได้เท้ามันธาตดินไหมละ่ะดินดินเป็นกายไหมเป็นลมเป็นกายไหมผู้เจ้าบอกเป็นนะมันยังอยู่ในกายไหมกายยกตาสติอยู่อย่าไปสงสัยมากตรงนี้ลมก็ได้เท้าเคลื่อนก็ได้สนใจตอนที่เราไปคิดนั่นแหละนั่นน่ ะ, น ะ, น ะ, นะมันเกิดดับแล้วนี่นไอ้ตัวเนี้ยตัวดีนี่ไม่เห็นมันเห็นนะอ่าเพราะฉะนั้นดูว่าจิตเนี่ยหลุดไปคิดเมื่อไหร่แค่นั้นเองหลุดไปนมามธรรมเมื่อไหร่ นะนะอย่าไปสนใจตรงนี้ลมก็เป็นกายถ้าดินก็เป็นกายนะจะอยู่ตรงไหนก็ได้เที่ยวไปในสติปัฏฐานสี่ไม่มีผิดผู้เจ้าบอกเป็นที่ ท, ท, ที่เที่ยวไปนะอันเป็นวิสัยที่บิดาของตนเองเที่ยวไปไม่มีผิดถ้าเที่ยวไปนอกสติปัฏฐานสี่ก็ถือว่าผิดนะ อาณาป า, าสติคือการดูลมหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวแล้วต้องดูจนถึงต้นลมกลางลมปลายลมหรือไม่เราจะดูอย่างไรพระองค์ไม่ได้บอกต้นลมกลางลมปลายลมก็ไม่ต้องไปเติมมันยาวแค่ไหนก็รู้แค่นั้นนะยาวรู้ยาวสั้นรู้สั้นเพื่อไม่ให้มันยาวแล้วไปเราไปทําสั้นมันสั้นแล้วเราลากให้มันไปยาวไม่ต้องนะ เพราะฉะนั้นมันจะยาวก็ยาวมันจะสั้นก็สั้น <c oughs> รู้ตามันไปเลยนะอย่างนั้นพอละเอียดขึ้นเนี่ยยาวสั้นเริ่มไม่มีละโลกองค์จะไม่พูดยาวสั้นละทีแรกเนี่ยหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ต่อไปพอลมละเอียดขึ้นเราแทบจะจับไม่ได้ว่ามันยาวมันสั้นก็คือเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง แล้วทำกายสังขารให้ลำงับคือการจิตที่จะปรุงแต่งอันเป็นไปนในทางกายให้มันเป็นอย่างอื่นจากที่มันดำรงอยู่เนี่ยเราจะไม่ไม่มีการปรุงแต่งอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาเรานั่งนิ่งสงบเนี่ยเราก็ไม่อยากขยับไหวมือไม้จะไม่หลุกหลิกพู้พุทธเจ้าบอกไม่เป็นผู้หลุดหลุกห ล, ก, ลกด้วยมือและเท้านั้นกายสังขารจะสงบระงนะับนั้นคนที่ไปสอนสมาธิแล้วสั่นเขยา่าเข้าทางหไม่เข้าทางไปคนละเรื่อง เพราะพุทธเจ้าบอกกายต้องสงบแล้วครับและพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยว่ากายที่ไหวโคลงเนี่ยชื่อว่าจิตไหวโคลงนั้นถ้าจิตไม่นิ่งกายจะไม่นิ่ง <c oughs> ถ้าจิตนิ่งกายจะนิ่งตรงนี้ตรัสไว้ในกรณีพระมหาคัปปินะไปนั่งในที่หลีกเล้นผู้เดียวหรือในที่ท่ามกลางสงศ <c oughs> <c oughs> ก็นั่งนิ่งไม่ไหวติงจนเป็นที่เรื่องเลืในหมู่ภิกษุภิกษุก็เลยมาถามผู้เจ้าว่าเป็นเพราะเหตุใดพระองค์บอกว่ากับปิณะเจเลยนานาปานัสสติมาเป็นอย่างดีจึงทําให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงนะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตท่านนิ่งกายก็จะนิ่งไปด้วยนั้นคนที่กายไหวคือจิตไหวนะนั้นนิยมอยู่คนก็ามา ที่วันเขาบอกเขาจะมานั่งสมาธิจะเป็นการรบกวนไหมบอกเฮ้ยไม่รบกวนสินั่งสมาธิจะรบกวนอะไรนั่งไปเลยเขาบอกเขานั่งแบบชันนะอืแบบชานก็ดีสิก็นั่งไปบอกชานเขาต้อมีเขยา่าต้องมีกระโดดเนี่ยอ๋อมันเป็นอีกแบบ น, นึงนะเนี่ยเขาเลยขัวรบกวนคนอื่นนะก็ต้องกระเด้งกระเด้งไปเรื่ อ, อยอๆนะเออมีีแบบนาะอืมเขาบอกว่าอืมมันไม่ใช่ที่พระเจ้าสอนมั่งเนี่ยนะอืม นั่นก็เป็นแบบหนึ่งนั้นให้กายสงบกันครับคำถามเมื่อสักครู่นี้เรามานึกได้นใหม่ว่า <c oughs> ยังไม่ได้ตอบอีกอันหนึง่งคือว่าเขาถามว่าจิตเนี่ยตั้งอาศัยได้หลายที่พร้อมกันหรือเปล่าไม่ใช่มันอาศัยการเกิดตับลองไปดูพระสูตรนี้ว่าผู้พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพภูนได้นะวิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ผู้จ้าตัดทีละอันเลยไหมนั้นถ้าวิญญาณตั้งอยู่สองอันพวกผู้ย่าก็จะต้องพูดว่าวิญญาณเข้าอาศัยรูปเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปและเวทนาเป็นอารมณ์ใช่ไหมแต่นี่พระองค์ตัดทีละอันทีละอันทีละอันทีละอันนะ นั่นคือโดยในย่าของมันบอกอยู่แล้วว่าวิญญาณตั้งนะัตอาศัยได้ทิละธาตุทิละธาตุทิละธาตุทีละธาตุและถ้าเพรประกอบกับอีกข้วสุนึ่งว่านติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดจะไม่มีอาคติคติยาสติจุตูปป า, ปาโตนโหติถ้าการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ นะลองไปดูเนี่ยนัตยาอสติอาคติคตินะโหตินัตติคือการน้อมไปมาไปจะไม่มีและถ้ามาไปไม่มีคืออาคติคติยาอสตินะคือมาไปไม่มีจุตูปานะจุตูปาปาโตนะโหตินะจุตูปาปาโตมาจากจุติโบกอุปาต จติคือตายอุปตาคือเกิดเคลื่อนก็คือตายเกิดคืออุบัติเกิดขึ้นแล้วผู้เจ้าไม่ได้พูดสลับเลยนะคือมันจะต้องตายก่อนเราเกิดดังนั้นเวลาที่จิตเราเคลื่อนออกไปเนี่ยวิญญาณดวงหนึ่งจะต้องตายก่อนคือดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดเห็นไหมจะละเอียดทุกคำเลยผู้เจ้านั้นถ้าโยมดูจิตของตัวเองปฏิบัติไปด้วยแล้วอ่านไปด้วยสุดยอดมาก ยมยุโโห่คุยว่าถ้าไม่ละเอียดอย่างนี้นะไม่เผลอพูดไปเลยนะว่าเกิดตายนะเราพูดเกิดตายกันเรื่อยๆแต่พอมาอาการมิดปุ๊บคุยว่าบอกต้องตายแล้วเกิดไม่มีหลุดสักช็อตเลยคุเจ้ายมจะเห็นเนี่ยในทุกๆขั้นสูตรเลยคุเจ้าคมมากนะทุกคําพูดเ <c oughs> มื่อตายแล้วเกิดไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ล่ะนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในขณะที่มันมีการมากันไปมันจะมีตายมีเกิดนะจิตจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พ่อองค์บอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนและจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นโมคับหลุดเพราะมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับนั้นมันจะไปเวียนว่ายตายเกิดยังไงคนนั้นพูดผิด เห็นนะนี่เราจะเริ่มเข้าใจเรื่องวิญญาณเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะใช่ได้ตอบคำถามนี่เลืยังได้ตอบแล้วนะเราจะไม่ตรงประเด็นการนั่งสมาธิ <c oughs> จะเอาจิตไปไว้กับการรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆณนะขณะหนึ่งมีสิ่งมากระทบที่ชัด ก, กว่าเช่นอาการคันเราควรจะเอาจิตไปไว้กับอาการคัน จนมันเปลี่ยนแปลงหรือพยายามยึดจิตมาอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวแต่โดยธรรมชาติแล้วจิตมันจะวิ่งไปหาสิ่งที่มากระทบที่ชัดกว่าใช่หรือไม่เกิดปฏิบัดอย่างไรมันไปของมันเองอ่ะมันไม่มีอะไรชัดเพราะว่ามันไปแล้วเราก็เลยเรียกว่ามันชัดเพราะว่ามันไปแล้วเราถึงไปรู้มันนะแล้วรู้ทีหลังมันทั้งนั้นมันไปพัดเนี่ยเราก็ไปนะรู้มันอีกทีหนึ่ง ดังนั้นชัดก็คือเพราะว่ามันไปนั่นแหละนะก็คือตรงไหนมันไปทู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะแล้วก็เอามันกลับมานะเอามันกลับมาอย่าไปสนใจพระศาสดาบอกว่าคนที่ไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นผู้ที่ไม่ควรได้มาซึ่งสมาธิ นั้นถ้าคันนิดมันก็ไม่อดทนถ้าเกาเลยเดี๋ยวได้เกาเรื่อยๆอย่างเดี๋ยวเกาโน่นเกานี้เดี๋ยวมันคันมาเรื่อยๆนะอ่าเพ้นต้องอดทนก่อนพื้นฐานต้องเป็นผู้อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของกายนะ <c oughs> พระองค์บอกเสียงเป็ น, ปนอุปสรรคต่อปฐมฌานโดยปกติเสียงจะเป็นเส้นหนามหรือเป็นอุปสรรคต่อความสงบในระดับที่หนึ่ง อาจารย์พระอาจารย์เวลาทําสมาธิได้ดูลมหายใจอย่างเดียวคือดูลมเข้าลมออกจะรู้สึกเจ็บที่โพรงจมูกเวลาหายใจเข้าและออกแต่ไม่มีลมมากระทบสังเกตุนามพอสมควรอาการลมหายใจที่เบาลงมากแต่ก็ยังไม่มีลมมากระทบกระทั่งไม่สนใจในลมมีอาการวูบไปเฉยๆนี่คืออาการอย่างไรครับ เออมูกไปถึงหมดสติไปเรียบวัญายไม่จบนะแยถ้ารู้ไปคือยังไงสมาธิต้องรู้ตัวตลอดนะอหรือว่ามันนิ่งมากจนแบบมันเบาละเอียดมากก็คือการที่ไม่มีอส่าศาสปัสสะศาสคือลมข้างลมหมอกเนี่ยถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยคือจตุตฌานจตุตฌานคือฌานที่สี่เนี่ยมีเครื่องวัดสองอันก็คือ นอุเบกขาสุขเนี่ยดับไปในจตุตฌานหรืออย่างที่สองคืออั ศ, ศาสะปัสสะสาดับเพราะฉะนั้นสุขในสมาธิจะดับไปนะที่เรียกว่าอุเบกขาสุขหรืออัศาสะลมเข้าแล้วลมหายใจออกดับนะ <c oughs> แต่บางทีเวลาจิตเรามีความละเอียดมากเราหายใจละเอียด มันเหมือนไม่ได้หายใจนะแต่บางทีมันยังมีการหายใจอยู่นั้นก็ระวังว่ามันไปคิดว่าเป็นการไม่มีหายใจเพราะมันจะอยู่ได้นานเวลาลมละเอียดมากลองดูว่าเราเคยหายใจนาทีละสิบห้าสิบหกสิบเจสิบแปดครั้งก็ต่ามแต่เวลาจิตสงบดีแล้วเนี่ยจะหายใจประมาณหนึ่งหรือสองครั้งต่อนาที หายใจทีหนึ่งอยู่ได้นานหนึ่งออกหายใจน้อยนี้เดียวนะแล้วลมก็ละเอียดมากนะเั่งว่าการหายใจช้ามากนะบางทีก็เลยนึกว่าเอ๊ะรู้มไม่มีลมเนาะนะนั้นกายสังขารก็เริ่มสมงบลังครับนะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะเส้งกายทั้งปวงคือรู้กองลมทั้งปวงนะลมไม่มียาวไม่มีสั้นนะรู้กองกองลมทั้งปวงนั้น พระองค์ก็บอกว่ายาวรู้ออกยากรูเา้เข้าสั้นรู้ออกัสั้นรู้นะจนกระทั้งรู้ความเฉพาะส่วนกาทั้งปวงตรงนี้แล้วกายสังขารรับนั่นะเป็นอย่างนี้เวลานั่งสมาธิจะมีอาการง่วงมากครับสักพักหนึ่งก็จะมีอาการฟุง้งบางครั้งมีอาการตัวกระตุกขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายละวีวีดี แก้อาการง่วงอย่างไรวิธีแก้ง่วงพระองค์กัดกัดไว้กับพระโมคคานะมีแปดวิธีนะ <c oughs> <c oughs> เช่นน้ำรูปหน้ามองดูดาวมองแสงสว่างนะสาธยายทำมาก็ได้นะเราก็สาธยายปฏิจจาร์เลยนะนั้นทำหลายหลายวิธีโดยทั้งไปเดินจงกรม นะเดินจงกรมเป็นวิธีลองสุดท้ายนะหลังจากเดินจงกรมไม่ได้ก็ผู้เจ้าให้ไปนอนนะอย่าเพิ่งใช้วิธีสุดท้ายก่อน เ, อเดินจงกรมก่อนก็ยังได้นะเดินจงกรมให้หายง่วงก่อนเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเดินแล้วหลับนี่ก็ใช้ได้นะไปนอนได้แล้วนะนะความง่วงก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป เราฉะนั้นถ้าเราสังเกตเรื่องความง่วงดีๆเนี่ยเกิดดับเนี่ยเราจะควบคุมได้อยู่แต่ควบคุมมากบางทีมันก็เลยไม่หลับอีกก็ต้องปล่อยเป็นธรรมชาตนะิเดี๋ยวร่างกายจะชำนุดเร็วการนั่งสมาธิทุกครั้งถ้าไม่มีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วจางหาย แต่มีความรู้สึกตัวมีสติตามรู้ไม่ทุกและไม่สุขอยู่เวบขาบ่อยแบบนี้ให้หรือไม่ได้ได้แล้ววิญญาณที่ไปเกาะที่รูปบ่อยบ่ถ้าวิญญาณไปเกาะที่สัญญาเราจะต้องดึงกลับมาที่ลูกหรือไมได่ดึงกลับมาให้เร็วเพราะขณะนั้นพบเกิดแล้ว ซึ่พื่อบอกว่าพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจดูเหมือนมูดคูดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ดังนั้นการไปปรากฏของวิญญาณขันหน้าที่ใดก็ตามแม้ชั่วรัดนิ้วมือนะ่ะน่ารังเกียจที่สุดลนะองมีมหมพบแม้ชั่วรัดนิ้วมือนะ <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใด ภิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉะนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ดังนั้นโยมยิ่งคิดไปนานเนี่ยพบเกิดแล้วชาติเกิดอีกทังกัดใช่ไนานเลยเปื่อนคูดนานเหมือนอุจจระนานเปื่อนมากนะไม่มีคุณประโยชน์รีบละนันทีให้ไหวที่สุด นั่งสมาธิเอาจิตไปรู้ลมหายใจโดยไม่พูดอะไรในใจทําไปได้ประมาณ10ครั้งจิตก็จะออกจากกายไปคิดเรื่องอื่นทำให้จิตไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้แต่ถ้าหากว่าเราพูดในใจตอนรู้ลมเข้าก็พูดว่าเข้ารู้ลมออกก็ออกทําให้จิตใจไม่วอกแวกแบบนี้ถือว่าเป็น การรวมจิตได้หรือไม่และ ส, สามารถทําได้หรือไม่เพราะการพูดในใจเหมือนกับเราให้จิตไปเกาะอยู่ที่ลมไม่ว่าผมบอกไปแล้วบอกไปบอกแนตะ่แค่พูดเข้านําไปอยู่นำมาทํำแล้วมีคําพูดนิดเดียวในใจมันก็ไปนำมาทําสัญญาสังขารแล้วขันท่านะเพราะฉะนั้นขณะที่รู้ลมเฉยๆเนี่ย แล้วไม่ได้พูดอ่ะนั่นน่ะมีผู้รู้กับมีล ม, มอ่ะสองขันขณะที่มันพูดในใจนะปุ๊บมันไปแล้วนะมันเร็วแล้วก็ละเอียดมากแล้วมันก็หลอกเราว่าเราอยู่กับลมเฉยๆมันไปเกิดดับเกระดับเนียนมากเลย น, ะนั้นถ้าเราเคยมันตัดความคิดเรื่อยๆไม่ให้มีแม้แต่ความคิดนี้เตียนเราจะเข้าใจเลยว่าคาพูดในใจนิดนึงก็คือ ไปแล้วนา ม, มาทําเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ทันนะโยมมันไม่ทันนะอ่าก็เหมือนกันนั่งแล้วสงบว่าอสงบทีนะไม่คิดอะไรเลยคิดแล้วนะ่ะนะไม่คิดอะไรเลยนี่คิดตลอดเลยเอย๊ปรุงไปปรุงไปนะ่ะเป็นความคิดที่เราไม่รู้สึกว่ามันคื อ, ค, อคือคิดนะ่ะนั่นนะ่ะเป็นอย่างนี้เนาะ ปรมชาญจะต้องมีวิตกวิจารปิติสุขคำว่าวิตกวิจารหมายถึงอะไรและนํามาเชื่อมโยงกับนั่ ง, งสมาธิรู้ลมหายใจเขาออกได้อย่างไรตัววิตกวิจารจะมี <c oughs> <c oughs> หลายแบบนะวิตกวิจารที่เป็นการคิดค่ายควรทำในเรื่องของความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสุบัติก็ได้ หรือวิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมนะว่าเราใครควรในลมเนี่ยลมคือร่ายใครเป็นคนรู้ลมผู้ที่รู้ลมหลุดไปไหมหลุดแล้วไปรั่วอะไรใครควรอยู่ในจุดนี้อันนี้ก็เป็นวิตกวิจารณ์เหมือนกันสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์เป็นสมาธิเละที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราลังับวิตกวิจารณ์ไปได้ก็ดีแต่ถ้าลังับไม่ได้ตัววิตกวิจารณ์คือการคิดเรื่องกุศล นะคิดในทางที่เป็นกุศลเพราะอากุศลนั้นถูกดับไปแล้วในปฐมฌานอากุศลคื อ, อไรความคิดสามอย่างกามภัยบาทเปลียนเปี่ยนณขณะนั้นถ้าเราไม่ได้คิดกามภพยบาดเปลียป่ยนขณะนั้นก็ชื่อว่าเราละอกุศลวิตกได้แล้วนะที่เหลือจะเป็นความคิดที่เป็นกุศลเป็นวิตกวิจารมิตกเรื่องขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็วิจารต่อไปนะนั้นวิตก เรื่องหนึ่งวิจารต่อจิตผูกกับอารมณ์ต่ อ, ตตอดังนั้นแม้แต่วิตกวิจารก็ยังเป็นภพเป็นชาติชรามอนะอยู่ถ้าละได้ก็คือดีที่สุดประโยคนพี่กาว่าฌานก่อให้เกิดญาณญาณก่อให้เกิดปัญญาหมายความว่าผู้ปฏิบัติต้องเริ่มจากการทำสมถะเพื่อให้ได้ฌานก่อนจากนั้น จึงจะปฏิบัติต่อไปถูกต้องไหมครับกูเจ้าบอกอย่างนี้พระองค์บอกว่าสัญญาเกิดก่อนนะยานเกิดทีหลังสัญญายงไปสู่คำว่าฌานเพราะฌานคือการเพ่งนะและเป็นการเพ่งที่ประกอบด้วยสัญญาดังนั้นสมาธิทั้งหมดเก้าระดับเจ็ดระดับแรกจะเป็นสัญญาสมาบัติใครอาศัยรู ป, ปรสัญญาการหมายรู้ในรูป ก็คือชาญหนึ่งสองสามคลอาศาัาายการหมายรู้ในนามธรรมจะเป็นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาจตนะทั้งหมดเจระดับนี้เป็นสัญญาสมาบัติซึ่งพรองบอกสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าใดอัญญาปฏิเวทกันแทงตลอดซึ่งหลักผลก็มีประมาณเท่านั้นทุกสมาบัติในเจดขั้นแรกใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดและทั้งหมดเป็นสัญญาสมาบัติ เป็นการเพ่งที่ยังประกอบด้วยสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นจะพูดว่าการเพ่งเกิดก่อนยานคือความรู้เกิดทีหลังก็ได้แต่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าสัญญาเกิดก่อนยานเกิดทีหลังดังนั้นจริงต้องมีการเข้าไปเพ่งสังเกตก่อนเข้าไปเฝ้าดูแล้วความรู้จึงจะเกิดขึ้นเช่นเราเข้าไปเฝ้าดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปนั่งดูลิงสักพักหนึ่งตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราก็จะรู้ว่าลิงมันอยู่ไม่สุข เราก็จะได้ยางคือความรู้มาแล้วอ๋อลิงมันอยู่ไม่สุกนะมันซนตลอดนี่ความรู้จึงเกิดมาที่หลังสัญญาหรือฌานการเพ่งนะเป็นอย่างนี้มีคำถามต่ออันนี้คือว่าการทำฌานก็เป็นสิ่งที่ดีทำไมบางคนบอกว่าไม่ดีอ๋อก็ไม่รู้พุทธวจ น, นะง่ายๆเลยไปคิดเองนะ พระพบุญาตัดไว้เยอะมากว่าฌานนั้นนะเมื่อต้องกระทำให้มากจะเลยในมากเสพมากชื่อว่าลาดเอียงโนมเอียงเทเองไปสู่นิพพานและเครื่องวัดกำลังของสมาธิคือฌานหนึ่งสองสามสี่อันนี้ในจากพระโอดเล่มเดิมแปลผิดนิดหนึ่งนะเราไปดูในบาลีแล้วพูุ้ทธเจ้าตัดว่าจัตตาโลฌานัง พราในจับพระโอษฐ์นี่จะใช้คาว่ากาลังของสมาธิวัดกันที่ฌานสี่ไม่ใช่ฌานสี่ฌานทั้งสี่หนึ่งสองสามและสี่ถ้าฌานสี่ในบาลีจะใช้คาว่าจัตุตฌานแต่ในนั้นบาลีใช้คาว่าจัตตาโรโอฌานังก็คือฌานทั้งสี่หนึ่งสองสามสี่เป็นเครื่องวัดกาลังของสมาธิอันนี้พระอวิโสโตเป็นคนเจอนะนั้น เมื่อเราเข้าไปศึกษาเราจะเจอเรื่อยๆเจอประเด็นเรื่อยๆเพรา ะ, ะนั้นถ้าใครแปลปิดแปลแล้วเดี๋ยวก็รู้เองอะ่ะนะเพราะมันจะเกิดการขัดกันนะแล้วตรงนี้จะไป อ, อแปลพิดธีตัวหนึ่งก็คือ <c oughs> เขาจะแปลพีแรกว่าการเข้าฌานสีชื่อว่าล้านเองโน้มเองเทเองไปสุนิพานแต่จริงๆผู้เจ้าจะใช้จัตตารโโชานังเหมือนกันคือการเข้าฌานทั้งสี่ ชือว่าลาดเอียงโนมเอียงเทีเงไปสู่นิพพานเราะฉะนั้นหก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้น่ะเป็นอย่างนี้มีคําถามเรื่องปฐมฌานห้าดับหมายความว่าอย่างไรมีอะไรบ้างและส่งผลให้เกิดอะไรต่อไปส่วนอีกใบหนึ่งถามมาเหมือนกันแต่ว่าต้องดับทั้งห้าเลยหรือไม่ปฐมฌานปฐมฌานห้าไม่ไม่มีนะปฐมฌาน <ไ>มันเขียนไปสองใบเหมือนกันเลยว่าปฐมฌานห้าดับปฐมฌานห้าดับไป่ดีอ๋อนิวรณ์ทั้งห้าดับเราบ้างถ้ามีนิวรณ์ห้านั่นีกน่ะคือนิวรณ์ห้าดับจะได้ปฐมฌานน่ะแล้วถ้าถ้าถ้าเราแปลใหม่ลองลองค ำ, คำถามใหม่ถ้าสมมุติก็เป็นนิวรณ์สมมุติว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างอ๋อ หมายความว่ายังไรมีอะไรบ้างส่งผลให้เกิอดอะไรต่อไปอ๋อตัวนิวอน5ห้าคือกรรมราคะน่ะพยาบาทตีนมิทธะอุทจักกุกกุจะจมิจิกิจฉานะกรมฉันทะเนี่ยก็คือตัวความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสพยาบาทก็คือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสตีนมิทธะ ความง่วงเหงานอนความซึ่งซึ่งบ่นชานะอุทธจากคุกจากความฟุง้งนซะ่านวิจิกิจชาความสงสัยลังเลห้าการจิตนี้เป็นเครื่องทำให้เกิดปัญญาสามทุ ป, ปัญญานะปัญญาไม่เจริญเป็นเครื่องกั้นปัญญาเป็นเครื่องคุมนะเป็นคือ่อคาเป็น เ, เครื่องกั้นเครื่องปิดเครื่องกั้นทำให้จิตไม่เข้าสู่ความสงบกาย พระงค์จึงให้ละนิวรณ์ห้าเป็นอกุศลนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอากุศลอกุศลาสีที่แท้จริงคือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นอย่างนี้นั้นถ้านนิวรณทห้าระดับได้เราจะเข้าถึงปฐมฌานความสงบระดับที่หนึ่งได้นี่คือตัวอกุศลาสีคือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นอกุศลที่แท้จริงกรรมฌันท่ายาบาตินามิธาอุทจักกุกุจาวิจิกิจชา อ้าตัวนี้ขรูพระอาจารย์พูดถึงยานวัตถุว่าเป็นอย่างไรยานวัตถุยานวัตถุคือ <c oughs> การเข้าไเห็นปฏิจจสุบาทในแง่มุมสี่และแง่มุมสองการเห็นในแง่มุมสี่ ก็คือการเห็นปฏิจจาลองไปดูสายปฏิจจาสายปฏิจจาสายเกิดหรือสายดับก็ตามซึ่งว่าสายเกิดย่อมเห็นสังขารโดนายนัยยะเลสสสีวิญญาณโดนายนัยะอริสสสีคือเห็นวิญญาณเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นวิธีวิธีดับเห็นนามบูคือเห็นรู้จักตัวมัน รู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับรู้จักวิธีดับสลายนาก็เหมือนกันภาษะเวทนารู้จักเวทนาเป็นยังไงคือสุขทุกุเบคารู้จักเหตุเกิดของเวทนารู้จักความดับรู้จักวิธีดับนี่คือการเห็นสี่นัยยะของสิบเอดสายการของปฏิจจสุ บ, บาทิสี่คูณสิบเอดคือสี่บสี่พระธรรมคตจึงบัญญัติยาณวัตถุสี่ิบสี่นะลงไปดู ในคู่มือโสดาบันยานวัตถุส4สี่สลับกับตัวนี้ไปเรื่อยๆในปฏิจจคะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราจะสแสดงซึ่งยานวัตถุสี่สี่อย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้เห็นนะ ญ <c oughs> าณวัตถุ44อย่างเป็นอย่างไรเล่า44อย่างคือญาณคือความรู้ในชลาหมรนะญาณคือความรู้ในเหตุเกิดขึ้นแห่งชลาหมรนะรู้จักมันรู้จักเหตุเกิดขึ้นญาณคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชลามรนะญาณคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชลามรนะ นั่นนี่คืออริสสีนั่นเองรู้จักมันรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับชาติก็เหมือนกันก็ต้องรู้จักชาติเหตุเกิดขึ้นแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชาติและค้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลหงชาติไล่ไปทุกอันสิบอดายการคูณสี่นัยะยานวัตถุสิบสี่นะโสดาบันใครเห็นตรงนี้นั่นคือโยมแตกฉานในปฏิจจารู้ว่า ตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะมีสถานที่เกิดคือพบพบมีเพราะอะไรเพราะมีอุปทานอุปทานมีเพราะตัณหาตัณหามีเพราะเวรนะ่ะไล่ไลไล่ลขึ้นไปได้หมดเข้าใจในทุกขั้นตอนนะไปดูยานาวัตถุ77 77นี่เห็นแค่2ในยัก์แค่นั้นคือเกิดกับดับแต่เอาเกิดดับไปใช้ในอดีตสอง ปัจจุบันสองอนาคตสองเป็นหกแล้วนะและอันที่เจ็ดคือรู้ว่าความรู้ทั้งหมดนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเห็นเจ็ดแง่มุมในแต่ละสายอาการเจ็ดคูณสิเบเ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดตัวเลขเยอะแต่เห็นนิดเดียวเกิดกระดับแค่ น, นั้นเองนะเอาไปใช้อดีตอนาคตและรู้ว่าความรู้ทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดาดูเจ็ดสิบเจ็ด แ ก, ก้วนั้นถือเจตเพจเป็นอย่างไรเล่ายานคือความรู้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาเมาลนะยานคือความรู้ว่าเมื่อชาติไม่มีชรลาเมาลนะยัไม่มียมรู้ว่าแก้วไม่มีทางแตกถ้ามันไม่มีการเกิดมาเป็นแก้วแก้วแตกได้เพราะแก้วมันเกิดปรากฏมาแล้วถ้าจะให้แก้วไม่แตกคืออย่ามีแก้วถ้าไม่ต้องการให้คนตายคืออย่ามีคนขึ้นมา ถ้าไม่ต้องการการดับหรือการตายอย่ามีเกิดเราจะมียานคือความรู้ตรงนี้นี่เป็นความรู้แล้วนะคือความรู้ว่าเมื่อชาติคือการเกิดไม่มีชะลามรณนะย่อมไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานแสบอดเห็นไหมรู้แค่เกิดกระดับแล้วเอาไปใช้ในอดีตเพราะมีชาติเป็นเหตุคือปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเป็นเหตุจึงมีชรลามรณนะ ยานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อชาติไม่มีชราหมรณะย่อมไม่มีเกิดเป็นเหตุให้แก่ตายถ้าเกิดไม่มีแก่ตายจะไม่มียานคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะชาติเป็นปัจจัยชลามรณะจึงมีนะนั้นชาติเป็นเหตุจึงมีชลามรณะและรู้ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อชาติไม่มีคือเกิดไม่มีชลามรณะจะไม่มี ยานที่เจ็ดความรู้ที่เจ็ดคือความรู้ว่าแม้ธรรมมัทธิยานในกรณีนี้ก็มีความเสื่อมไปนะจางไปดับไปเป็นธรรมดานะสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาธรรมมัทธิยานคือยานในการรู้การเกิดการดับรู้อริษษสัตี่นั่นเองเพราะนั้นตัวนี้ จึงเป็นเครื่องวัดความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะนั้นที่เราเคยทราบว่าโสรถยานยาน16ไม่มีพู้เจ้าไม่เคยตัดเรื่องโสรดยานโสรดยานยาน16ถูกแต่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นยานตัวนี้จากพระโอษยานวัตถุเจญยานวัตถุส4สนะอันนี้ก็เลยเอาให้ดู อันนี้ก็เป็นเรื่องของภพเอาไปไข้ควรเรื่องภพเนี่ยไข้ควรตั้งแต่ชาติภพนะไล่สายปฏิจจึ้นไปเรื่อยนะเป็นอย่างนี้ยาวพระสูตรนี้ยาวมากองค์อธิบายทีละสายทีละสายทีลสา ย, สายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะอ่านพุทธวะนะต้องใจเย็นนิดหนึ่งต้องอดทนอ่านทีละนิดทีนี้ต้องตั้งใจอ่ะต้องตั้งใจสมาธิต้องมีอ่านแล้วจะเก็บประเด็นได้ไปเรื่อยๆ ฟุ้งซ่านเราจะอ่านไม่เข้าใจแล้วก็จะเบื่อซะก่อนนะกราบเรียนพระอาจารย์ดังนี้มีสองข้อนะคะข้อหนึ่งใครให้พระอาจารย์อธิบายขยายความคําว่าอุปท า, านขันห้าให้ด้วยข้อสองในพุทธวจนะมีอุบายวิธีละอุปท า, านขันห้าได้อย่างไรการ ถอนุปทานขัน5ห้าคือเห็นเกิดกระดับเป็นนั่นเองง่ายๆไม่มีอะไรอริสัต4ีเข้าไปเห็นอริสัตถีในขันธ์ทั้งห้านี้เป็นการถอนอุปทานมันเกิดกระดับเพราะกรเห็นเกิดเห็นดับคนนั้นจะเข้าใจอนัตตาว่าอนัตตานั้นนะก็คือของที่มันเกิดมาแล้วแล้วหายไปนั่นพุทธเจา้าจึงบอกว่ารูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาตรัดเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนัตตาเป็นร้อยรอยพสุทเยอะมากนะดังนั้นอนัตตามีมาจากอะไรสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาอนัตตาจึงเป็นศัพท์ที่ใช้สาหรับสิ่งที่เป็นทุกข์คือแตกสลาย สิ่งได้แตกสลายได้สิ่งนั้นแสดงว่ามันมีชั่วคราวนั่นเองนั้นแก้วแตกแก้วมีชั่วคราวหนังสือพังอาคารพังมันมีชั่วคราวทั้งนั้นขันท่ามีชั่วคราวหมดเลยเกิดเสื่อมดับเป็นอนัตตาเกิดเสื่อมดับเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมาแล้วมันจะต้องมีเสื่อม เสื่อมแล้วเสื่อมเรื่อยๆก็จะต้องมีดับดับแล้วตัวตนที่มันมีมาสักพักหนึ่งเนี่ยมีชั่วคราวจริงถูกเรียกว่าอนัตตาเห็นไหมนั้นถ้ามาเรียงร้อยกันทั้งหมดก็คือเกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาเกิดพระองค์ใช้สมุทยัยหรือใช้คำว่าอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏเสื่อมก็คืออนิจจงหรือใช้คาว่า วาโยปัญญายติเสื่อมปรากฏหรืออนิจจัน์คือไม่เที่ยงเสื่มเรื่อยๆเพราะเสริมแล้วไม่ได้หยุดเสื่มทีเดียวเสื่มเรื่อยๆติดตัศอัญญตัดตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่มเรื่อยๆแล้วจบที่ดับนะดับสิ่งใดเสริมเรื่อยๆดับแน่นอนยกก้อนน้ำแข็งเห็นง่ายๆตั้งอยู่เฉยๆก็ละลายตลอดทุกอนูทุกเวลา และที่สุดก็คือก้อนน้าแข็งไม่มีแล้วการปรากฏขึ้นของก้อนน้าแข็งมีชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นก้อนน้าแข็งเป็นรูปจึงเป็นอนัตตานั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสุบาทว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆอนัตตาไม่ได้มาลอยๆอนัตตามาจากของที่มันดับไปนะดับมาจากเสื่อมถ้าไม่เสื่อมจะดับได้ไหมโยมไม่ได้ ดับมันมาจากเสื่อมเสื่อมมาจากเกิดถ้าไม่มีเกิดจะเสื่อมได้ยังไงเพราะมันเกิดมาแล้วสิมันเลยเสื่อมใช่ไหมเมื่อสือมแล้วมันเลยดับเมื่อดับแล้วจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นที่สาวกไปพูดว่านิพพานเป็นอนัตตาถูกไหมไม่ถูกคนละเรื่องผู้เจ้าไม่เคยตัดนิพพานเป็นอนัตตาเพราะว่านิพพานเกิดไม่ปรากฏไม่ปรากฏมีการเกิดขึ้นณอุ ป, ปาโทปัญญาสติ เสื่อมจะมีได้ไหมไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกนวาโยปัญญายติเมื่อเสื่อมไม่มีเสื่อมเล่ยเล่ยมีได้ไหมไม่ได้พระองค์จึงตัดว่านาทิตตัสะอัญญาตตังปัญญายติเมื่อส่วนเล่ยเล่มีไม่ได้ดับมีได้ไหมไม่ได้พระองค์ไม่ได้พูดดับเลยดับมีไม่ได้แน่นอนเพราะมีไม่ได้ตั้งแต่เกิดไม่มีแล้วเพราะในปฏิจจามกี้ยานในความรู้ว่าถ้าชาติไม่มีชรลามรณะจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตายมีไม่ได้ เมื่อดับไม่มีหรือตายไม่มีอนัตตามีได้ไหมไม่ได้เพราะอนัตตามาจากดับดับมาจากเสื่อมเสื่อมมาจากเกิดนี่ต้องเข้าใจปฏิจจสุบาทให้ละเอียดอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าคนที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่ใช่แล้วและมันบอกอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยแต่อยู่ในส่วนสาวกภาสิทธ์นะเพราะฉะนั้นมันจะขาดกับพุทพะะธวจนะอาตมาถึงบอกว่าเวลาโยมไปศึกษาพระไตรปิฎก จึงไม่อยากให้พูดว่าพระไตวปิฎกเล ย, เยวนี้ต้องพูดว่าพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตวิฎกเพราะไม่งั้นถ้าพูดพระไตวปิฎกคนจะไป น, นั่งอ่านสาวกภาสติกซึ่งจะไปเจอคำว่านิพพานเป็นอนัตตาแล้วก็เอามาที่ปายซึ่งเขาจะใช้คําสาวกอธิบายซึ่งจะไม่ตรงกับพุทธวจนะนะนั้นถ้าเราแยกภายในปฏิจจสุบาติยมจะเข้าใจหมดเลยใครพูดถูกพูดผิดยังไงนะเพราะทุกอย่างมาจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากเหตุ นีปพระสูตรเดียวก็เห็นชัดแล้วเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาอะไรแล้วนิพพานเป็นอัตตก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผู้เจ้าจัดเรื่องการบัญญัติอัตตาอัตตาจะบัญญัติได้อย่างไงมันต้องบัญญัติภายใต้เกิดปรากฏการบัญญัติซึ่งอัตตาโยมจะเล่มหนังสือต้องมีหนังสือมาให้เลี่ยนนี่ ยังจะเรียกฝุน่นลูกไปต้องมีฝุ่นสักนิดหนึ่งมาให้เห็นยังจะเรียกอะตอมอิเล็กตรอนต้องมีตัวนนิดนึงโผล่มาก่อนเกิดต้องปรากฏการบัญญัติอะไรก็ตามในโลกธานี้เกิดต้องปรากฏหมดดังนั้นสังคตารักษณะของสังคตธรรมก็คือเกิดปรากฏนั่นเองรวมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกัเดชานเปลีวิสัยระบบของสังสารวัฏเกิดปรากฏทั้งสิ้นนั่นคือสังคตอะอสังคตะคือนิพพาน เกิดไม่ปรากฏณนะอุปปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนะแค่สองสามสูตรก็ตอบได้แล้วนะตรงเป๊นะนะอันนี้ก็จะเป็นวสูตรนี้ไม่เคยมีใครยกมาให้โยมดูเท่าไหร่นะนั้นวสูตรนี้ชัดเจนมากว่าแบ่งสองสถานภาพตรงนี้ว่าเกิดปรากฏกับเกิดไม่ปรากฏ เป็นความมีภาวะของนิพพานเป็นความมีแต่ความมีนั้นเกิดไม่ปรากฏนะนะเพราะฉะนั้นมันจริงมันจงไม่เหมือนกับสิ่งใดๆในโลกที่เรารับรู้สัมผัสได้ทั้งหมดนะงั้นทุกสิ่งในโลกธ า, านี้เกิดปรากฏผลเลยแต่นิพพานเนี่ยยึดไม่ได้การไม่ยึดนิพพานเนี่ยพระาศาสดาใช้อนัตตาไหมไม่ได้ใช้ ใช้อนัตตาไม่ได้เพราะอนัตตาใช้สาหรับปล่อยขันท่าเพราะว่ามันเกิดปรากฏแต่นิพพานนั้นไม่ยึดเนี่ยพระองค์ใช้ปฏิปทาเพื่อถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงและปฏิปทาการละนันทิไปดูพระสูตรนี้นะวิธีในการละความยึดมั่นในนิพพานเพราะพระองค์ตรัสว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะและพระอรหันตขีนาศพทั้งหลาย ก็ไม่เพลินในนิพพาน น, นั้นไม่เพลินในนิพพานเพราะอะไรสี่ลักษณะห้าลักษณะโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มของสี่ลักษณะนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับปฏิปทาเพิ่ถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งจะอยู่ในอภิอสูตรหนึ่งไว้เดี๋ยวจะให้ดูและอีกอันหนึ่งก็คือไม่เพลินอย่างยิ่งสึงนน่นิพพาน สีตัวนี้คีย์เวิร์ดของมันคือสุ่งในโดยความเป็นว่าของเราก็คือไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรามีอนัตตาไหมไม่มีเพราะมีไม่ได้เพราะว่านิพพานไม่ปรากฏมีการเกิดจะใช้อนัตตาได้อย่างไรวิธีการไม่ยึดมั่นในนิพพานคือต้องใช้ปฏิปทาตัวนี้ ปฏิปทาตัวนี้ใช้ได้ทั้งสี่ตัวนี้นะดูแค่สีบ่บรรทัศนนี้ก่อนนะใช้ได้ทั้งขันห้าคือระบบของสังฆตาและอสังฆตะระบบของสังฆตาผู้เจ้าจะเปลี่ยนธรรมนิพพานเป็นขันธาตุอายตนะใดๆปฏิปทาตัวนี้จะบอกว่าไม่สําคัญนั่นหมายซึ่งขันธาตุอายตนะใดๆไม่สําคัญนั่นหมายใน ขันธาตุอายยตนะใดๆนะจินตนาการเป็นอักษรตามนะอ่าเพราะไม่ได้มีสไลด์มาคู่กันไม่สําคัญม่นหมายโดยความเป็นขันธาตุอายยตนะใดๆไม่สําคัญม่นหมายขันธาตุอายยตนะใดๆว่าของเราแต่เวลาพอถึงนิพพานปุ๊บจะเปลี่ยนคําว่าขันธาตุอายยตนะใดๆเป็นนิพพานนะแค่นั้นเองนี้เรียกว่า ปฏิปทาเพิกถอนความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะส่วนตัวนี้คือนันทีไม่เพลินไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพาน น, นั้นพระองค์ให้พระหลานกีณาศกนั้นละความเพลินในนิพพา น, นเพราะพระหลานทั้งหลายรู้ว่านันทีเป็นมูลแห่งความทุกข์เพราะมีพบ